วันนี้ก็ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันตลอดลงุงสถานที่นี้ก็เอื้ออำนวยต่อบุคคลที่อยู่ในเมืองหลวงก็ไม่ไกลนักก็สามารถที่จะใช้สถานที่นี้ได้มาฟังธรรมกันแล้วก็ในชันชิก ได้ได้มีการฟังธรรมกันตลอดลงุงก็สะดวกอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นบางครั้งก็มีการถ่ายทอดทางวิทยุก็ซึ่งมาไม่ไปจริงๆก็ฟังอยู่ทางบ้านก็เชื่อว่ า, าเราก็มาอยู่วัดนั่นเอง <c oughs> ซึ่งการประพฤติปฏิบัตินี้เราจำเป็นจะต้องเข้าใจ หนทางที่ถูกต้องไม่งั้นปัญหาของจิตใจเราจะารับการแก้ไขไม่ไม่ได้จิตดวงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแก้ไขไม่ไม่ถูกเนี่ยไม่มีทางได้ชนะเลยนะมนุษย์เนี่ยพยายามจะใช้ความสามารถที่จะพิชิตให้ตัวเองได้มีอำนาจเหนือจิตดวงนี้ ถ้าเกิดว่าทําไม่ถูกวิธีแล้วเนี่ยชนะไม่ได้เลยซึ่งเป็นความท้าทายของอความสามารถของมนุษย์มนุษย์และเทวดาเลยทีเดียวแหละว่าใครจะมีมีอําอนาจชนะเหนือจิตใจของตัวเองได้คนนั้นถือว่าเป็นผู้ชนะสงขามาที่ชนะโดยยากสงขามอันนี้ก็คือว่าสงคามด้านจิตใจของคนเหลานี่เอง จิตใจของคนเหล่านี้จึงเป็นความที่ท้าทายความรู้ความสามารถของบุคคลในโลกนี้ว่าแน่จริงเนี่ยจับให้เราให้อยู่สิแน่จริงเนี่ยทาให้เราเนี่ยอยู่ในอานาจของคุณสิเหมือนก็ว่าจิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเราแต่เราเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะอยู่ในอานาจของเราดังนั้นเหมือนก็ว่าความท้าทายอันนี้เนี่ย จึงมีความาที่เขาเรียกว่ า, ามนุษย์ของเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดแต่ความฉลาดของเราเ ย, ยังทําอะไรไม่ได้ก็ความาความเป็นไปต่างๆอย่างนี้ก็ชื่อว่าความรู้อันนี้จึงเป็นความรู้ที่สูงส่งที่ทุกคนจะต้องใช้ความสามารถทีเดียวแต่ว่าวิสัยอย่างเราๆเนี่ยจึ่งเป็นผู้มีบรารมีน้อยเนี่ย ไม่ชนะแน่นอนไม่ชนะแน่นอนเราจะต้องอาศัยคําสอนพุทธเจ้าเป็นหลักถึงจะชนะสงครามอันนี้ได้อันนี้แหละถึงได้บอกว่าเป็นความท้าทายของบุคคลที่จะต้องอทํำยังไงเราจะชนะสงครามอันนี้ให้ได้ทําไมหรือที่เราจะต้องอต่อสู้กับตัวเองเพราะว่าตัวเองนถูกครอบงําด้วยอํานาจที่เหนือกว่า แล้วก็ถูกรกครอบงํามานานในความดิดดิ้นหรือความที่เราจะต้องตะเกียกตะกายให้ตัวเองได้พ้นจากอํานาจของอความลึกลับเหล่านี้เนี่ยให้ได้แต่พยายามแล้วพยายามเล่าที่จะชนะด้านจิตใจนี้ทํำยังไงเราจะชนะด้านจิตใจเหล่านี้ให้ได้เนี่ยนั่นนั่นคือความพยายามของอทุกคนที่จะต้องหาทางที่จะเอาชนะ <c oughs> วันนี้ต่อมาก็ได้มาแสดงธรรมอีกวาระหนึ่งที่จะได้ชี้แจงเรื่องนี้ให้แก่สาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันในลำดับต่อไปอต่อไปก็คงจะเข้าสู่การบรรยายธรรมนะโมตัสสะพวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระขาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระขาวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอาระรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองกาบคาระคุบาอาจารย์และเพเทรานุเทระ จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้รับฟังแล้วก็อยู่ทางนี้ก็ดีทางบ้านก็ดีวันนี้ก็จะได้ม า, มาแสดงธรรมเรื่องความผูกพันระหว่างจิตเรากับโลกที่เรายังชนะด้านจิตใจของเราไม่ได้เราจะจะต้อง มีความชนะที่เราถูกครอบงำอยู่นี้ได้อย่างไรจิตของเรานิยงใหญ่กับโลกนี้เหมือนกับลิงติดตังเหมือนได้ที่ผ่นผูกพันกันเป็นปมยุ่งเหยิงไปหมดจนไม่รู้จะแก้ไปทางไหนแกะอย่างไรถึงจะออกจากปมอันนี้ปมของชีวิตของเราเนี่ยจึงผูกพันธนาการกันซับซ้อนเหลือเกินเราจะทำอย่างไรดี ถึงจะเป็นผู้ชนะในสงครามอันนี้ให้ได้วันนี้ก็จะได้แสดงธรรมในหัวข้อพัฒสายัตนะแล้วก็อภิภายัตนะพัฒสายัตนะคืออะไรคือความผูกพันด้านจิตใจทางอาิทธิธทั้งหกความผูกพันจิตใจของเราเนี่ยไปทางหูตาจมูกลิ้นกายใจ ก็คืออายตนะทั้งหกนั่นเองผัสสายอายตนะก็คือการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างตาหูเรากับโลกที่สื่อสารกันอยู่และก็เป็นเครื่องผูกมัดไว้ให้เราเนี่ยติดอยู่ในโลกและก็อภิภยัยอาตนะนี้ก็หมายถึงว่าเราจะทํำยังไงให้เราเนี่ยมีอํานาจเหนือกว่าอายตนะเหล่านั้นเขาเรียกว่ามีอํานาจยิ่งใหญ่กว่าอายตนะนั้นได้อย่างไร เรียกว่าอาภิภาญตนะก็คืออภิก็แปลว่ายิ่งใหญ่กว่าอัญตนะนั่นเองการที่เราเกิดม า, เ, าเท่ากับว่าเรามีหูมีตาจมูกลิ้นกายใจมาพร้อมเสร็จมีอาการ32โลกนี้ก็สีสันแ ต, แต่งแต้มไว้อย่างสวยงามวิจิตรทำให้เราเนี่ยหลงเพลิดเพลินไปสู่ เอ่อเป็นอารมณ์ต่างๆของโลกนี้โลกนี้จึงมัดใจเราเนี้ยติดอยู่ในอารมณ์ต่างๆเราเกิดมามีร่างกายมีจิตใจแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจพร้อมสับเหมือนก็ว่าธรรมชาตินี้สร้างมาแล้วมีการสื่อสารและเอื้ออํานวยในการสื่อสารนั้นให้เกิดขึ้นมาสําหรับจิตใจเราจะผูกพันกับโลกนี้ด้วยวิธีใด สิ่งนั้นนั้นก็อบนวยความสะดวกให้เราเราจะเห็นว่าคุณและโทษอยู่ในที่เดียวกันก็เพราะว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเราใช้เขาแต่ใช้แล้วเนี่ยก็มีคุณและโทษอยู่ในที่เดียวกันเราเกิดมาครั้งแรกก็ลืมตาอาปากขึ้นมาเราก็เจอสิ่งแวดล้อมต่างๆก็คือญาติพี่น้องหรือต่อมาเนี่ยเราก็เจอพ่อเจอแม่จ ะ, ะเจอเพื่อนฝูง หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เติบใหญ่ขึ้นมาดูเหมือนว่าธรรมชาตินี้จะสอนในตัวมันเองให้รู้จักอ่าอา่ให้รู้จักที่จะเอาตัวรอดด้วยการที่คนเราก็เกิดมาด้วยความที่ว่ามนุษย์มีความฉลาดก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อ, ออกมาจากท้องอามารดาแต่สัตว์นั้นก็ออกอเกิดมาก็ลักษณะที่พึ่งพาอาศัยความ เข้าใจหรือความที่สัตว์นั้นจะมีธรรมชาติที่จะสํานึกทั่วดีก็ได้เกิดมาเติบใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนเป็นสัตว์แต่ว่าจิตใจของเราเนี้ถูกโยงไว้กับโลกโดยการที่มีหูมีตาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยสื่อสารจริงอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีหูมีตาเราก็คงจะมืดบอดก็คงจะไม่รู้เห็นอะไร แต่เห็นแล้วเนี่ยก็เป็นคุณอนันต์แต่โทษที่ตามมามหันต์ก็เกิดขึ้นมาเมื่อจิตใจของเหล่านี้ไหลไปสู่ในอารมณ์เหล่านั้นมากมายก่ายกองแล้วก็พันธนาการตัวมันเองนั้นติดอยู่อติดอยู่กับโลกนี้มากมายนี่คือปัญหาทีนี้ว่ามนุษย์ทุกคนที่เห็นที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็ คิดหาทางที่จะชนะว่าทำยังไงจิตใจของคนเราที่หลง อ, อยู่ในโลกนี้จะหลุดพ้นออกมาจะเขาเห็นอานาจประโยชน์อะไรในการที่จะคิดหาทางที่จะแก้สถานการณ์เหล่านั้นให้เป็นสถานการณ์ที่หลุดออกมาหลุดพ้นออกมาเพราะว่าเขาเห็นว่ามันทุกข์มันทุกข์เพราะความทุกข์อันนี้เองจึงเป็นความทุกข์ที่ โดนบันดาลหรือว่าดันบันดาลใจให้เราเนี่ยคิดอยากจะออกจากโลกจริงอยู่คนทั่วไปมากมายที่ไม่รู้จักว่าการที่เรามีจิตผูกพันไว้กับอารมณ์ต่างๆนั้นไม่เห็นจะทุกข์อะไรเพราะอะไรเพราะเขาหยาบเกินไปที่จะรู้ว่านั่นคือทุกข์พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าโลกนี้ก็มิได้ไหมายถึงว่าจะมีทุกข์ทายเดียวโลกนี้มีสุขอยู่ มีสุขอยู่ถ้ามีทุกขอย่างเดียวเนี่ยคนทั้งหลายก็คงจะออกจากโลกอย่างเดียวคงจะไม่มีใครแน่ที่จะหาทางที่จะพ้นทุกได้แต่ที่นี่ว่าโลกเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์ด้านเดียวแต่มีความสุขด้วยสัตว์ทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้จึงหลงละลึงในความสุขของโลกนั้นอย่างมากมายแต่เมื่อมีทั้งสุข ขึ้นมามีสุขขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีทุกขมาตามมาถ้ามีสุขด้านเดียวเราก็คงไม่สแสวงหาทางออกกันนะไม่ถ้ามีสุขทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยเราเกิดมาี่มีความสุขด้านเดียวเนี่ยไม่มีทุกขเลยเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คงมีอะไรไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้พระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็แพร่หลายในในมวลหมู่มนุษย์หรือหมู่สัตว์ไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมโดยชอบ ก็คงจะเกิดไม่ได้แน่นอนการประพฤติปฏิบัติก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติเพราะว่าโลกนี้มันสุขดีอยู่แล้วแต่ถ้ว่าจไหนว่าเมื่อโลกนี้มีความสุขอยู่อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความทุกข์ตามมาเป็นผลสุขนำหน้าแต่ทุกข์ตามมามากมายระหว่างสุขกับทุกนี้ไม่คุ้มกัน ไม่คุ้มกันจึง เ, เป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าจะคิดสแสวงหาทางออกจากทุกข์และสุขนั้นอันนี้หมายถึงว่าคนที่มีสติปัญญาเนี่ยจึงมองว่าสุขที่ของโลกที่มีอยู่ไม่ได้สุขด้านเดียวเสแล้วแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเป็นผลระหว่างสุขกับทุกข์ที่ได้รับนั้นไม่คุ้มกันนะไม่คุ้มกันกับได้รับความสุขที่ได้รับนั้นน้อย พระองค์ทรงกล่าวถึงว่าความสุขของโลกนี้เนี่ยเป็นความสุขน้อยแต่มีทุกข์มากจึงคิดหาทางที่จะพ้นทุกข์ต่อ น, นั้นจึงหาทางที่จะพ้นทุกข์ออกไปเพราะว่าเห็นว่าสุขที่ได้รับนั้นกับทุกข์ที่ได้รับตามมานั้นไม่คุ้มกันจึงสแสวงหาทางออกเพื่อความสวัสดิภาพของตัวเองจึงหาทางที่จะ คนออกจากโลกนี้ถ้าเกิดว่าคิดหาทางจะออกเห็นว่าสุขนี้เป็นความสุขที่น้อยนิดแต่ความทุกข์ตามมานี้มากมายกว่าถ้าเกิดทางนั้นไม่มีคนที่จะออกจากทุกนี้ก็เป็นไม่มีไม่ได้เกิดไม่ได้เพราะว่าทางนั้นไม่มีแต่ทางนั้นมีอยู่บุคคลถึงออกจากทุกนี้ได้ออกจากโลกนี้ได้ก็เพราะว่าทางนั้นมีอยู่ ทางนั้นก็คือว่าที่เราจะประพฤติปฏิบัติกันนี่เองก็คือคำสอนพุทธเจ้านั่นเองพุทธองค์ทรงค้นพบทางนั้นก็ทรงตัดสรุทางเส้นนั้นแล้วก็นำมาสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักว่านี่คือทางพ้นทุกข์นี่แหละจึงเป็นสาเหตุว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันวันนี้ก็เพราะว่าเราต้องการหาทางที่จะพ้นทุกข์ าตามร อ, อยุคผลระบาดของท่านนั่นเองเอ่อฉะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ด้วยลําพังของเราเพราะความรู้ความสามารถเราเนี้คงไม่ถึงแน่นอนเราจะต้องอาศัยพระปัญญาบา ร, รมีของพุทองค์นั่นเองจึงจะเป็นผู้พ้นทุกข์ได้เราก็คืออาสาวกทั้งหลายก็คือว่าเป็นผู้เดินตามศา ส, สดาก็คือเดินตามทางของท่าน นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นที่มาของการที่จะแสวงหาทางดับทุกข์ก็เกิดขึ้นความทุกข์อันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่แสวงหาทางดับทุกข์เนี่ยน้อยมากเทียบกับว่าคนหมู่มากแล้วเนี่ยอยู่ในโลกนี้มากมายทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่ได้ออกมาทั้งหมดมีแต่ควรคนส่วนหนึ่งนิดหน่อยเท่านั้นที่ออกมาก็เพราะว่าความทุกข์นี้ เป็นความทุกข์ที่มองได้ยากความทุกข์มองเห็นความทุกข์นั้นโดยความทุกข์เนี่ยอันนี้กรพอมองเห็นได้ง่ายแต่ความทุกข์ในรูปของความสุขนี่สิความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในความสุขนี้เรามองได้ยากมากเหลือเกินคนที่มีสติปัญญาบารมีเท่านั้นแหละว่าที่จะเห็นว่าความทุกข์ที่มีอยู่นี้มันซ่อนอยู่ในความสุขนั่นเอง สุขนั่นแหละเป็นตัวซ่อนอยู่ในความทุกข์อันนี้ก็แหละทึงได้บอกทึได้บอกว่าทุกนี้ก็รู้ยากเหลือเกินเพราะว่าความทุกข์ในรูปของความสุขเนี่ยมันมองยากใครจะมองยากคนที่คนที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมองยากมากเพราะว่ามันซ่อนอยู่ในความสุขทุกในรูปของความสุขนี้จึงเป็นความทุกข์ที่แยบยน แยบขายจนที่เราบางคนได้มองไม่ได้เลยนอกจากคนปฏิบัติเพราะนั้นเราก็ถือว่าเรามานั่งฟังธรรมในวันนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้เบาบางเพราะเห็นว่าโลกนี้มีทุกขเบาบางกว่าบุคคลอื่นชื่อว่าเป็นผู้มีความเขาเรียกว่ามีสติปัญญาบารมีมากพอที่จะรู้ว่าโลกนี้คือความทุกข์เพราะว่าความทุกข์ของโลกนี้ก็เรื่องรู้ได้ยาก การรู้ได้ยากของความทุกนี้เองจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าคนส่วนน้อยที่เแสรวงหาทางดับทุกได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามาศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความทุกจริงๆเนี่ยมีแม่อมีมากมายมีมากจริงๆจนจนในที่สุดแล้วไม่รู้จะเอาจิตวางไว้ตรงไหนเลยพวามทุกทั้งหมดเลยโลกนี้มีแต่ความทุกข์กับทุกเท่านั้นเองอันนั้นหมายถึงความาที่ละเอียดอ่อนเข้าไป อันนี้นักปฏิบัติก็จะสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยการาประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการที่เราจะรู้ว่าความทุกข์ในโลกนี้เนี่ยก็ยังรู้ได้ยากฉะไหนเลยการแสวงหาทางพ้นทุกข์จะมีได้ยังไงง่ายๆเล่าฉะนั้นก็เราก็ถือว่าเราโชคดีนะว่าเรามาได้ฟังทำปฏิบัติทำก็คิดว่าเออโลกนี้มันทุกข์นะในเมื่อคนอื่นเขาจะมองว่าเป็นสุขอยู่แต่เรานี่มองทุกข์เหลือเกิน ทุกอันนี้แหละจึงแยบยนที่หลอกลวงเราเขาเรียกว่าหลอกเราให้หลงงงงวยอยู่ในโลกนี้จงเป็นสาเหตุที่เราเนี่ยมืดบอดไม่รู้ความจริงว่าความจริงเป็นเช่นไรถ้าเราดูผลินเพินแล้วเนี่ยโลกนี้ก็มีอยู่ว่าความสุขนี้มากมายจะไม่เห็นทุกอะไรแต่ถ้าเราดูละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยสุขนั่นแหละคือทุกทุกนั่นแหละก็คือทุกต่อไป รวมความแล้วก็คือทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นก็คือความทุกข์อยู่ดีอันนี้เราจะไปรู้ละเอียดมากขึ้นโดยการประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าความทุกข์นี้จึงเป็นความทุกข์ที่มองได้ยากเย็น อ, อันนี้ก็คือว่าสมัยพุทธกาลนานมาแล้วเนี่ยมีนักปวดมากมายแม้แต่ก่อนพุทธกาลก็มีประจาโลกเลยทีเดียวทางอินเดียเนี่ยบุคคลที่แสวงหาทางพ้นทุกข์นี้มีมาก เพราะบุคคลนั้นก็มีบุคคลเหล่านั้นก็มีจุดประสงค์เดียวกันก็คือว่าเขาคิดว่ า, ามนุษย์หรือการเกิดมาเนี่ยมีแต่ความทุกข์แต่คนอื่นเขาไม่มองอย่างเขาเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นได้สร้างสมาบารมีมาพอสมควรจึงมองโลกไม่เหมือนคนอื่นมองว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์จึงแสวงหาทางบวชออกประพฤติพรหมาจรรย์กัน เราจะเห็นไหมว่ า, าสมัยสมัยโบราณเนี่ยนักพรดนักบวชรัฐที่มากมายในอินเดียชื่อว่าอินเดียเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่อัศจรรย์ที่ไม่เหมือนประเทศอื่นๆเลยซึ่งมีนักปราดนักบัณฑิตมีมากมายรวมถึงพุทธเจ้าเราก็ทรงตัดสู้ที่ประเทศอินเดีย เราจะเห็นว่านักพศนักปวดลัทธิมากมายเกิดขึ้นอินเดียมีการทรมานตนมีความบำเพ็ญตะบะในรูปแบบต่างๆมากมายเราถามว่าทำไมคนเหล่านั้นสแสวงหาทางอะไรเขาประพฤติคือการประพฤติของเขาเช่นนั้นเนี่ยเขาหวังอะไรเขามุ่งประโยชน์อะไรเขามองอะไรที่เป็นจุดหมายสูงสุดของการทำ เราจะเห็นว่าการกระทําเหล่านั้นที่เขาทําอยู่นั้นก็คือมุ่งถึงความพ้นทุกข์จึงเป็นลัทธิศาสนาความเชื่อปรัชญามากมายที่เกิดขึ้นในอินเดียซึ่งเป็นแหล่งอริยธรรมมากมายแม้แต่รวมความเป็นปุกของเราก็อุบัติณขึ้นมาที่หน้าที่นั้นดังนั้นเราเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยหลงไหลอยู่ไปตามโลกแต่มนุษย์กลุ่มหนึ่งนะครับเห็นโลกเป็นภัยอันใหญ่ทําไมมองไม่เหมือนกัน เพราะสติปัญญามองต่างกันมนุษย์พยายามจะชนะจ้านจิตใจว่าจิตใจนี้เป็นจิตใจที่มีความทุกข์แต่ว่าอานาจทั้งหมดที่เรามีอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเหนืออานาจของด้านจิตใจได้และก็จิตใจนั่นแหละเป็นจิตใจของเราดีๆนี่เองแต่เหมือนกับว่ามีอะไรที่สิงสูมีอะไรที่ครอบงาอยู่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่อยู่ในอานาจของเรา เหมือนกับว่ามีอํานาจมืดแอบแฝงอยู่แล้วก็บีบคั้นนั่นจิตใจนั้นไปสู่อํานาจที่เล่นลับอันนั้นเราแสงสังเกตไหมว่าเวลาเรามานั่งสมาธิเนี่ยทําไมจิตใจของเราเนี่ยไม่เชื่อเราเลยไม่ฟังเราเลยไม่ไม่ยูนใต้ภายใต้อํานาจหรือการบังคับบัญชาของเราเลยเหมือนกับว่าจิตใจของเราเนี่ยถูก บังคับบัญชาหรืออยู่ใต้อำนาจของบางสิ่งบางอย่างที่มีอำนาจเหนือกว่าเราความจริงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะว่าเอ๊จิตใจของคนเราแล้วจิตใจของเราเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของดีๆทำไมไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเหมือนก็ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ตามจิตนั้นมาตลอดแล้วก็สนองอความอยากของจิตที่อยากจะได้อะไร แล้วก็วิ่งหาไควคว้ามาให้เหมือนกับว่าสนองความต้องการของจิตนี่ตลอดเราหาให้จิตจนเหนื่อยอยากได้อันโน้นเราก็หาให้อยากได้อันนี้เราก็หาให้หาให้จนทุกวันนี้มันก็ยังไม่อิ่มพอเราเห็นไหมว่าจิตใจของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นเราของเป็นเราของเราได้ตรงไหนเหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่ย เราคืออะไรกันแน่ดูเหมือนว่าเราอยู่ใต้อำนาจของอะไรบางอย่างชีวิตแทบทั้งชีวิตเนี่ยเกิดมาเราก็ร้องไห้โตขึ้นมาเราก็ข่อยคว้ า, วาเหมือนก็ว่าเกิดมานี่กมือแน่นจะเอาทุกอย่างแล้วก็จิตก็วิ่งซ่านไปในโลกนี้ต่างๆเหมือนจะข่อยคว้ า, วาได้มามากที่สุดโตมาเราก็ข่อยคว้าจริงๆ วิ่งหาสิ่งเหล่านั้นมาตลอดเพราะอะไรเพราะจิตมันต้องการเราหาให้จิตตัวนี้จนเหนื่อยแต่จิตเขามาเ ค, เคยอิ่มพอและมีหนำซ้ำมีความโหดร้ายต่อเราอีกก็คือไหลลงสู่อำนาจฝ่ายต่าเราเห็นไหมว่าจิตเราเนี่ยนับมันจะต่ำลงต่าลงต่าลงจนบางครั้งมองเหมือนไม่ต่างอะไรกัตริย์เลยทั้งๆที่ว่าเรามีสติปัญญา มองดูจิตใจของเราแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยจิตใจของคนเราดูเหมือนกับว่ า, าเป็นความตกต่ำบนความเลวร้ยวายนับวันที่จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆ เ, เราจะมองเห็นภัยหายชนะอันเกิดกากจิตของเราเนี่ยอยู่เนืองๆว่าจิตเราใจของเราเนี่ยเหมือนดั่งสัตว์แล้วนับวันจะไหลลงต่ำไปเรื่อยๆวี่แววของการที่จะชนะจิตใจของคนเราเนี่ย ยากลำบากเหลือเกินอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าการที่เราจะชนะจิตใจของคนเราเนี่ยจึงชนะได้ยากเพราะว่าการถูกครอบงำด้วยตัณหาอุปาทานมากมายเนี่ยทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเรากับจิตเนี่ยจิตเนี่ยเป็นนาย แล้วเราเองก็เป็นผู้สนองงานของจิตนี้อยากได้อะไรหาให้อยาก อ, าอยากได้อะไรนี้เราเราวิ่งหาตลอดและเจ้ า, เ จ, าเจ้าจิตนี้เองก็เป็นจิตที่ทรยศต่ตอเราแล้วก็นำเราเข้าสู่ความตกตำ่ำความหายนะต่างๆก็เกิดขึ้นดูเหมือนว่าจิตนี้จะนำภัยให้มาให้แก่เร า, าทุกขณะทุกขณะ อันนั้นแหละเขาเรียกว่าคนไหนที่มองถึงความเลวร้ายท่านนั่นจิตใจของเราเนี่ยว่าจิตใจของเราเนี้เลวร้ายลงไปเลว ร, ร้ายลงไปทุกขณะทุกขณะนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าโลกนี้มีภัยโลกนี้มีโทษแล้วจะหาทางคิดแก้ไขจิตของเราเนี่ยให้กลับสู่ภาวะที่ดีกว่านี้เพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาด เราจะปล่อยให้จิตของเราเลีวร้ายอย่างสัตว์ได้อย่างไรจึงมาฝึกตนมาฝึกฝนตนให้ตนยกฐานะตัวเองขึ้นมาสู่ความสูงส่งขึ้นมาอีกอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเราจําเป็นจะต้องความฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยก็จะไหลลงต่ําเหมือนสัตว์นั่นเองความพยนะต่างๆคงจะปรากฏแก่เราแน่นอน ฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเราไม่มีอำนาจอะไรเลยมองด้วยตาปิบๆวา่าเขาจะเป็นไปอย่างไรเราก็ตามเขาอย่างนั้นเขาจะหัวเราะเราก็หัวเราะเขาจะร้องไห้เราก็ร้องไห้ดูเหมือนกว่าเราเป็นคนบ้าคนหนึ่งเหมือนกันและนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปจะเห็นเขาเรียกมองย้อนหลังนะจะเห็นตัวเองเหมือนคนบ้าคนหนึ่งมันเกือบจะบ้าแล้วอะ เราสังเกตเวลาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาเรามีอะไรดีขึ้นมาเนี่ยเรามองเห็นตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยไม่ต่างอะไรคนบ้าเลย อ, อ, อยู่ไปได้ยังไงทำไปได้ยังไงอันนี้หมายถึงว่าตัวเองเริ่มยกฐานะตัวเองขึ้นจะดีขึ้นเนี่ยเราจะเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงคนบ้าดี ด, ด, ดีนี่เองแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็เราก็ถือว่าเราไม่บ้านะคนอื่นบ้ากว่าเราก็มีแต่ว่า เราขนาดเราเห็นตัวเองไม่บ้านะเราขนาดปฏิบัติไปยังเห็นตัวเองบ้าอยู่แต่คนอื่นเนี่ยมันยิ่งกว่าเราอีกก็มีเยอะแยะอันนี้แหละเราจะเห็นความเลวร้ายของตัวเองเมื่อเราปฏิบัติทำระหว่างที่เรายังไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นไม่ได้และรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เพราะว่ า, าความอยากของเรามันเยอะความละเอียดเราไม่มีอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องมาประพฤติปฏิบัติทำกัน ในสมัยโบราณเนี่ยก็นานมาแล้วฤาษีชีภัยนักบวชนักพลสมากมายมาต่อสู้จิตใจของตัวเองด้วยตะ บ, บะด้วยวิธีต่างๆเราจะเห็นว่าอินเดียทั้งเยอะแยะไปหมดงนักบวชนักพลบุคคลเหล่านั้นก็หวังตรงนี้แหละว่าหาทางที่จะชนะจิตใจของตัวเองแล้วพุทธองค์ของเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คิดหาทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้เหมือนกัน แล้วก็ในที่สุดแล้วนะพุทธองค์ก็ส่งคนพบจริงๆจึงได้ตัดสรูปขึ้นมาจึงกลายเป็นพุทธศาสนาขึ้นมาในโลกและเราก็โชคดีว่าบุคคลที่สอนเราเราสามารถได้ เ, เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้จริงๆก็คือการประพฤติปฏิบัตินี่เองบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าความจําเป็นของสิ่งนี้เนี่ยจะจาเป็นแก่เรามากน้อยแค่ไหนแค่ไหน แต่เมื่อเราปฏิบัติไปจริงๆแล้วเราจะเห็นความจำเป็นมากทีเดียวว่าบุคคลที่ฝึกฝนตนมาดีที่สุดนี่นแหละจึงเป็นคลที่มีคุณภาพเราไม่เห็นความจำเป็นอะไรเลยเมื่อก่อนว่าจะเพื่ฝึกแต่เมื่อฝึกจริงๆเนี่ยโอ้มันจาเป็นมากนะเพราะไม่ฝึกแล้วเนี่ยเรานี่ตกต่ำแน่นอนคงจะไปนรกอย่างเดียว่นี่ะแน่นอน แล้วก็มนุษย์หรือว่าคนสมัยนั้นเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าค้นคว้ า, าหาต่างๆแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้รวบรวมความเป็นความรู้าตามอาจารย์ที่รู้รู้อย่างไรก็บร ญ, ญยายตรงนั้นออกมาก็กลายเป็นศาสนาต่างๆลัทธิต่างๆขึ้นมามากมไปพุทธองค์อองของเราก็ทรงบัญญัติศาสนาขึ้นเหมือนกัน เหมือนบุคคลเหล่านั้นแหลทีนี้ว่าสมัยนั้นเนี่ยคนก็ยังเหมือนสมัยนี้นั่นเองมีความเห็นเขาเรียกว่าความเห็นสุดตรงว่ า, าเขาเรียกว่าสุดตรงสองข้างาข้างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอุดเฉดทิฏฐิอุดเฉดทิฏฐิก็คือว่าเห็นลักษณะที่ว่าสุดตรงว่าคนเราเนี่ยเกิดมา ไม่มีเหตุไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัจจัยตายแล้วก็ศูนย์บาปบุญไม่มีสวรรค์นรกไม่มีทําดีได้ดีไม่มีทําชั่วได้ชั่วไม่มีคนที่ตายไปแล้วเนี่ยที่สุดก็คือป่าช้ารอยเอ่อรอยเท้าเนี่ยไปที่สุดของป่าที่สุดของขนก็คือป่าช้าการเส้นสวงการบวงสวงไม่มีผลการให้ทานการอ้อนวอนการบูชา ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นตายแล้วก็แล้วกัดไปตายแล้วก็หายกันไปไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกความเชื่ออย่างนี้มีมาแล้วในสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าความเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าอุดเฉดทิฏฐินักบวชประเภทหนึ่งก็มีความเห็นว่าอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรตายแล้วศูนย์ใครจะฆ่าใครก็เป็นอันว่าฆ่าไปแล้วก็บุญไม่มีบาปไม่มี อันนี้เขาเรียกว่าอุดเฉด ท, ทิฏฐิออุดเฉด ท, ทิฏฐิก็คือความเห็นสุดตรงไปอีกร้านหนึ่งแล้วก็มีความเห็นอีกทิฏฐิหนึ่งก็คือว่าไปเอียงไปอีกข้างหนึ่งเขาเรียกว่าตายแล้วมีอยู่สวรรค์นรกมีอยู่บาปบุญมีอยู่อ่าบาปบุญมีอยู่แล้วก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีอยู่สวรรค์นรกตายแล้วอ่า เราสามารถที่จะเกิดใหม่ได้เวียนว่ายตายเกิดไปแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็แก้ไขไม่ได้คนทั้งหลายจะไหลไปะจะจะไหลไปตามเขาเรียกตามกรรมตามวาสนาตามธรรมชาติใครจะแก้ธรรมชาติอะไรอะไรก็ไม่มีทางแก้ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยจะไหลไปตามธรรมชาติของเขาเอง จะบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์เองในที่สุดจะไม่บริสุทธิ์เองก็ไม่ไม่บริสุทธิ์เองในที่สุดเหมือนบุคคลที่คว้างปมได้ไปในอากาศเมื่อขี้ได้ก็ขี้ขี้ไม่ได้ก็เป็นปมกันต่อไปอเขาเรียกว่าไหลไปเรื่อยๆไม่มีใครแก้แก้ก็ไม่เป็นอันแก้ปฏิบัติก็ไม่เป็นอันบัตรวัดอะไรที่จะปฏิบัติก็ไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งนึงเหล่านี้ได้ ธรรมชาติสร้างมาอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นจะทำอะไรจะมาดัดมาแปลงมาแตง่งมาเติมหรือมาแก้ไขไม่ได้ทั้งสิน้นสัตว์ทั้งหลายไหลไปสู่อำนาจเวียนว่ายแต่เกิดไปไม่มีที่สิ้นสุดจะแล้วจะสุดที่ตรงไหนแล้วแต่เหตุปัจจัยเหมือนบุคคลที่คว้างปมได้ไปในอากาศมันจะขี้ขายไปเองอหรือจะไม่ขี้ขายก็ไม่เป็นไรก็คว้างใหม่คว้างไปเรื่อยๆจนขี้ขายมันเอง นั่นก็หมายถึงคนนั้นก็จะพุนทุกเองโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยอันนี้ก็เรียกว่าไปอีกข้างหนึ่งว่าโลกมีอยู่สวรรค์นรกมีอยู่ทำดีได้ดีมีอยู่แต่ว่าจะหาทางพ้นอะไรไม่ได้แก้ไขก็ไม่ได้อมันเป็นไปอย่างนั้นแหละทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วแล้วแต่เหตุและแต่ปัจจัยการประพฤติทธรรมไม่มีการปฏิบัติธรรมโดยชอบไม่เกิด ปฏิบัติแล้วก็ไม่เป็นอันปฏิบัติผลอันการปฏิบัติก็ไม่มีใครจะเป็นอะไระเขาเรียกว่าความเห็นในด้านหนึ่งก็จะไปลักษณะนี้เขาเรียกว่าสัตตตทิฏฐิสัตตะทิฏฐิกับอุเฉทิฏฐิความเห็นสุดโตรงไปสองด้านแต่พุทธองค์ของเราเนี่ยไม่เข้าไปในสุดโตรงทั้งสองด้านนี้มองถึงความสายกลางว่าประพฤติมีปฏิบัติมีการปฏิบัติโดยชอบมีผล การปฏิบัติพ้นทุกมีได้การแก้ไขได้การพ้นทุกโดยชอบมีได้เป็นไดนะ้การที่บุคคลที่จะร่วงความพุดเสียเนี่ยด้วยความกํกนานัดของอ ى, กําลังของบุรุษนี้มีได้เกิดได้ด้วยกําลังของบุรุษมีเหตุและมีปัจจัยอันนี้ก็คือว่าพุทธองค์ทรงค้นพบถึงว่าเรื่องนี้แก้ไขได้แก้ไขได้ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้ด้วยกาลังของบุรุษ สามารถที่จะแก้ขายปัญหาได้เขาเรียกว่าแก้ไขได้เป็นการโดยการประพฤติปฏิบัตินี่เองอันนี้ก็คือว่าคนเรานี่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็จึงจึงเป็นที่มาของการฟังธรรมและก็มาแก้ไขกันวันนี้นั่นเองทีนี้ว่าการแก้ไขต่างๆนี้เนี่ยจึงเป็นความท้าทายของบุคคลในโลกนี้ ามากมายตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วก็มีความท้าทายว่าใครแน่จริงแก้ไขเรื่องโลกนี้สิปัญหาโลกนี้จึงเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่ครอบงำทุกอย่างอยู่ในอานาจมืดหมดเลยทีนี้ว่าบุคคลบางกลุ่มก็จะค้นคว้าเรื่องนี้ก็คือนักพจนักปวดมากมายแล้วบุคคลหลายคนที่เกิดมาไม่สนใจเรื่องนี้เลยทำมาหากินอย่างเดียวไปตามโลกอย่างเดียวโลก จะต้องการอย่า ง, างใดไปต่างนั้นกิเลสกิเลสของเรามีอย่างไรให้สนองกิเลสด้วยวิธีนั้ น, น, นตามนั้นโดยที่ไม่สนใจว่าจะทุกข์จะสุขอะไรบุญบาปไม่สนใจไปตามกระแสอันนั้นมีมากฉังนั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์ของเรานี่ก็จ ะ, ะท่องเที่ยวไปลักษณะที่ต่างๆกันด้วยความเห็นความเห็นเหล่านี้จึงเป็นความเห็นของบุคคลในโลกมากมาย แต่มนุษย์ก็พากันไปพากันไปพากันไปตามกระแสโลกตามยุคตามสมัยตามชนตามกลุ่มตามเผ่าพันธุ์แล้วก็มนุษย์ก็ไปอยู่ไปแล้วก็มีการประวัติผวาว่าเอ้เราเนี่ยคงจะมีอะไรโดนบันดาลหรือจะต้องมีเส้นสวง <c oughs> บวงสวงพิธีกรรมอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นในหมู่มนุษย์กลุ่มๆเหล่านั้น เราจะเห็นไหมว่าชนเผ่าต่างๆก็มีลัทธิมีอะไรการเส้นสวงการบวงสวงบูชายันบ้างทำโน่นทํานี่ไหวโน่นไหวนี่ไหว้บวงสวงต่างๆเกิดขึ้นทั่วไปในโลกเราจะเห็นว่ากลุ่มนั้นก็มีการทําเพเจนี้แบบนี้กลุ่มนี้ก็ทําแบบนั้นแบบโน่นแบบนี้ทั่วโลกเลยเพราะอะไรมนุษย์ถึงได้ได้การมีการเส้นสวงมีการอ้อนบอนมีการบูชาขึ้น เพราะเขาต้องการสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเพราะต้องการสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเช่นว่าบุคคลที่เกิดมาเนี่ยเห็นว่าทรมาหากินเผื่เครื่องผลแรงฝนไม่ตกต้องตามฤ ด, ดูการก็บวงสวงขอฟ้าขอผโดนบันดาลอะไรต่างๆเพื่อความตัวเองให้ให้สวัสดีภาพหรือว่าอยู่อยู่อย่างมีความสุขนั่นเองตนปรารถนาอย่างไรจึงมีการเส้นสวงก็ตามมา อ่ามากมายกลายเป็นประเพณีกลายเป็นรัทธิกลายเป็นเขาเรียกความเชื่อของคนมากมายอันนี้ก็คือว่าเราจะเห็นว่ า, า, า, าชนกลุ่มชนต่างๆก็จะมีพิธีกรรมมากมายนะนี่เราเร า, เราโลกเราเจริญแล้วเนี่ยพิธีกรรมเหล่านั้นก็ยังหลงเหลืออยู่ในโลกนี้มากมายแม้แต่ว่าเราเจริญแล้วเนี่ยเราสังเกตไว้ว่าวันนี้ไม่สบายใจไปไหว้นนท์ไหว้นี่ ไว้อะไรก็ได้ที่เขาศรัทธาหรือเลื่อมใสกันก็ไหว้กันไปหมดเลยไหวทุกอย่างาทุกอย่างควาตามความเชื่อตามความเชื่อความเลื่อมใสของตัวเองที่จะเชื่ออะไรเขาก็บวงสวงกันไปเพราะบุคคลนั้นหวังว่าจะนําสวัสดิภาพมาสู่ตนก็เลยมีการเส้นสวงขึ้นมาอันนี้แหละความความกลัวความหวาดระแวงของคนเราก็มีอยู่เนืองนิดทั้งที่เกิดมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า ตัวเองอยากจะมีอะไรที่ตัวเองปรารถนาและสําเร็จก็เลยมีการเส้นสวงขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะเลิญแล้วเทคโนโลยีอย่างขนาดนี้ก็ยังมีอยู่นะมากมายดังนั้นเราจะเห็นว่ากลุ่มคนมากมายมีการเส้นสวงกันสารพัดประเทศนี้ก็ทําอย่างนี้กลุ่มชนนี้ก็คิดอย่างนี้ทํานี้อย่างนี้มีการาพิธีกรรมมากมายเกิดขึ้นเราก็เลยไปกับเขาตามตามความเชื่อความศรัทธาของเรา แต่นี่ความเชื่อเหล่านั้นน่ยมันเป็นศิลพจน์เป็นตะบะเป็นความเชื่อของแต่ละลัทธิศาสนากันไปแต่อะไรเล่าจะเห็นความจริงหรือจะไปตามความจริงว่านี่คือความถูกต้องจะถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้เราก็ทำกันไปแต่ทางที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนอันนี้เราก็ต้องต้องมาศึกษาเอาความรู้ว่าความถูกต้องของความจริงนั้นอยู่ที่ไหนของการกระทา ฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาหนึ่งที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าความลับเหล่านี้จะมีอะไรอยู่เบื้องหลังคําสอนนี้เองจึงเป็นกุญแจที่จะเปิดเข้าสู่ความเล่นลับอันนั้นได้ก็คือการประพฤติปฏิบัติความเห็นของคนเราที่ว่าความเห็นสอ ง, สองด้านเขาเรียกว่าสตตาทิฏฐิกับอุเฉทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นความเห็นที่ เกิดลัทธิความเชื่อมากมายเกิดขึ้นคนที่เขาเห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงมีไม่มีอะไรที่เป็นแก่นสารเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยจะเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำความดีได้เพราะทำดีก็เท่ากับว่าไม่ดีแต่ทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยและวล้วนแล้วแต่ว่าไม่มีผลอะไรเขาโอกาสที่เขาจะทำดียากมากคนกลุ่มนั้นเพราะความเห็นของเขาเป็นอย่างนั้นการทาดีก็เป็นไปได้ยาก แต่คนกลุ่มหนึ่งบอกว่าสวรรค์นรกมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถึงแม้จะมองหาทางออกไม่ได้แต่ก็มีโอกาสว่าคงจะทำดีได้ได้บ้างเพราะว่าเมื่อทำดีแล้วเนี่ยคงจะได้รับผลดีตามนั้นแต่บุคคลที่มองเห็นว่ า, าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็มีหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้คนเหล่านี้ก็คือเป็นผู้เข้าไปพิสูจน์ของการประพฤติปฏิบัติ การที่เราจะบาเพ็ญตบะรมหรือการที่เราจะอบรมตนก็เกิดขึ้นทีนี้ว่าเราจะมารู้จักว่าโลกนี้คืออะไรเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักสิ่งต่างๆที่รอบๆตัวเราก่อนก็คือว่าความเชื่อเหานี้ศาสนาเหล่านี้ก็มากมายแต่เราเกิดมาเนี่ยเจอคำสอนผู้เจ้าแต่เราก็ยังไม่รู้คำสอนผู้เจ้าฉะนั้นพุทธองค์ทรงสอนถึงความเปลี่ยนไปต่างๆว่า คนเราเกิดมาเนี่ยมีกายกระใจะมีกายกระใจะกายใจนี้กายนี้ก็ได้จากบิดามันดาแต่ใจดวงนี้เนี่ยชื่อท่านท่านกล่าวว่ามาจากภพภูมิอื่นแล้วก็มาลงมาปฏิสนทิในในคันมันดาแล้วก็ได้ร่างนี้มาร่างนี้ก็เกิดจากบิดามันดานั่นเอง เวลาเราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยจึงระบุวันเวลาไว้และพร้อมเสร็จว่าเราเกิดมาที่ไหนเป็นบุตรของใครถึงแม้ว่าขณะนั้นเราอาจจะไร้เดียงสาที่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่คนที่รู้ก็จะจดไว้บันทึกไว้ว่าเราเกิดวันไหนวันไหนจึงเป็นวันเดือนปีเกิดของเราก็จะระบุชัดว่าเราเกิดวันนั้นวันนี้อันนี้แหละ สาธุชนทั้งหลายว่าแน่นอนว่าร่างกายนี้เราได้จากบิดามารดาจริงๆผู้ให้กำเนิดเรามาจริงๆแต่ว่าเมื่อกำเนิดมาแล้วเนี่ยจิตใจของเราที่ได้อมาจับจองร่างนี้ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยก็ได้วิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆของโลกโดยการผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ ลิ้นจายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยสื่อสารผูกพันกับไว้ไว้กับโลกนี้แต่ว่านานเข้าไปนานเข้าไปเนี่ยอารมณ์มันมากมายกายกองและเราเองก็คงจะสร้างสมบารมีมาพอสมควรจึงรู้ว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมากมายแล้วนับวันจะงอกงามในใจเราและก็นำเราไปสู่ความตกต่ ภัยอันใหญ่ที่เกิดขึ้นความเลวร้ายของจิตนั้นกำลังรอคอยเราอยู่เหมือนกับวันๆหนึ่งเรามินเม์ต่อการกระทำชั่วหรือเกินอันนี้แหละเ้าเรียกว่าเราถึงมาแก้ไขจิตใจของคนเราว่าจะทำอย่างไรดีกับจิตใจของคนเราที่เป็นอย่างนั้นส่วนมากแล้วเราก็มาทำสมาธิกันก็มาศึกษาหาความรู้ในวัดเทว่าก็มีการทาสมาธิกัน การทำสมาธินั่นเองทำให้เรารู้จักว่าจิตของเราเนี่ยที่ไม่เคยหยุดหย่อนต่ออารมณ์มาก่อนจึงไม่รู้สาเหตุว่าไม่ไม่รู้ธรรมชาติว่าจิตเราเนี่ยมีความสุขความทุกข์อย่างไรเหมือนกับว่าจิตของเราเนี่ยไม่เคยนิ่งมาก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไหลไปสู่ความสุขของโลกอยู่ตลอด จึงรู้แต่ว่าความสุขของโลกนี้ก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโพธิภพธรรมดมต่างๆนั่นคือความสุขของโลกนี้แต่ว่าจิตนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้จักว่าความสุขในตัวมันเองก็มีอยู่ก็คือความสุขที่จิตเป็นสมาธินั่นเองเวลามาฝึกสมาธิเนี่ยเราอบรมจิตให้เราให้นิ่งลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าความสุขอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยผ่านพบมาก่อนก็คือ ความสุขอันเกิดจากตัวมันเองเมื่อก่อนเรารู้จักแต่ว่าความสุขนี้เนี่ยต้องอาศัยสิ่งอื่นเนอเอียองอาศัยเนื่องจากสิ่งอื่นเป็นความสุขขึ้นมาโดยการอิงอาศัยเช่นว่าตาอาศัยสิ่งที่เห็นคือรูปหูอาศัยสิ่งที่ได้ยินคือเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจคู่กับอารมณ์ จึงเป็นความสุขขึ้นมาแต่ว่าเวลาเราทำสมาธิแล้วเนี่ยเราจึงจะรู้จักความสุขชนิดหนึ่งก็ของใจก็คือว่าสุขในตัวมันเองนี่เองเมื่อตัวมันเองสงบลงไปความสุขนั้นก็จะเกิดขึ้นในตัวมันเองนั่นเองจึงเป็นความสุขที่เราไม่เคยผ่านพบมาก่อนในชีวิตอันนี้จึงจงเอ่อจึงเป็นจุดการจุดประกายของคนเราที่จะนามาสู่การ ค้นคว้าหาความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปความสุขที่เกิดจากสมาธินี้จึงเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าเย็นเป็นความสุขที่ดับเป็นความสุขที่ระงับเป็นความสุขที่มีอิงอาศัยเวลาเราฝึกสมาธิลงไปเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตที่เราสงบลงไปเนี่ยแต่กว่าจะสงบได้ก็ยากนะายากเย็น เมื่อเราฝึกสงบลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความสุขอันหนึ่งที่เกิดจากใจของเรานี่ก็คือความสุขที่เป็นสมาธินั่นเองการเป็นสมาธิหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าจิตเราตั้งมั่นด้วยตัวมันเองเพราะเราประคับประคองจิตนั้นไม่ให้ไปในอารมณ์ต่างๆจึงเกิดการตั้งมั่นในตัวมันเองนั้นขึ้นมาและการตั้งมั่นอ น, นั้นแหละทให้เราเนี่ยจิตของเราได้พักผ่อน ได้พักได้ผ่อนได้เขาเรียกว่าได้ดับอารมณ์เหล่านั้นไว้จึงเกิดความสุขหลั่งไหลาจากตัวมันเองนั้นออกมาทำให้เราเห็นา่าแท้ของความสุขอั น, นั้นว่าเป็นความสุขที่ไม่อิงอาศัยอะไรอะไรเลยเป็นความสุขของเอกเทศของการที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีความสุขอื่นที่จะเห็นว่าความสุขอื่นจะปราณีตกว่า จึงพอใจและยินดีในความสุขนั้นเป็นความสุขใหม่ที่ที่ที่เราไม่เคยมีมาก่อนอันนี้เวลานักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติไปเนี่ยเราก็จะเจอความสุขชนิดหนึ่งก็คือสมาธิสมาธิอันนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความสุขอันนั้นว่าเป็นความสุขที่ปราณีมักจะติดใจเวลาทำสมาธิเนี่ยคือที่แรกเนี่ยเราเห็นแต่ว่า ความสุขต่างๆนี่ก็คือความสุขของโลกนี้ก็คือกามมาคุณห้าเท่านั้นไม่เห็นความสุขอื่นเลยอันนี้เขาเรียกว่าความสุขของโลกที่ประจำอยู่แล้วก็คือความสุขของกามมาคุณทั้งห้าข้างห้าอะไรเล่ารูปรสกลิ่นเสียงโพทพิภพแต่ใจเนี่ยยกเป็นตัวเสวยเสวยในในทั้งห้านั้นเขาเรียกว่า กามคูณห้าเรารู้จากว่ากา ม, มาคูณห้านั้นมาก่อนแล้วเพราะเราอยู่กับโลกและโลกนี้ก็มีการ ม, มาคุณเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงของคนเราที่บอกว่าโลกนี้มีความสุขอยู่ก็ไม่ได้ความสุขอะไรนอกจากการ ม, มาคูณห้ า, านั้นกา ม, มาคูณห้านี่เองจึงเป็นความสุขของโลกนี้มาดั้งเดิมแล้วเราเกิดมาเราก็เจอความสุขนี้อยู่แล้วแต่เมื่อคั้นเรามาทาสมาธิเนี่ย เราจึงเจอความสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่การมาคูนหความสุขนั้นก็คือสมาธินั่นเองจึงเป็นความสุขใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเรามาเจอตอนที่เราทําสมาธิจึงเป็นทางเลือกอันหนึ่งว่าเมื่อก่อนเราก็เห็นว่าสุขนั้นก็คือการมคูนหเท่านั้นแล้วก็ความสุขที่ดีที่สุด ก็ไม่ใช่ใครอื่นมีแต่กา ร, รมงคลห้าเท่านั้นไม่มีความสุขยิ่งกว่านี้แล้วแต่คั้นเรามาทำสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่าความสุขของกา ร, รมงคลห้านั้นถือว่าเป็นความสุขอันหยาบเป็นของต่ำเป็นของชาวบ้านเป็นของที่คนปุถุชนหนาแน่นที่ยินดีในความสุขเหล่านั้นแต่ความสุขใหม่ที่เราได้รับนี้ก็คือความสุขด้านสมาธินี้ เป็นความสุขของบุคคลที่สูงขึ้นเป็นผู้สะอาดขึ้นไม่ใช่ของคนต่ำไม่ใช่ของชาวบ้านไม่ใช่ของกุโ ค, คลนที่หนาแน่นด้วยกิเลสอันนี้เราจะพบว่าเขาเรียกว่ามีทางเลือกใหม่ขึ้นมาหลังจากที่เราเคยมีแต่ความสุขแบบโลกๆมาประจำเราจะเห็นว่าก่อนที่เราไม่เคยฝึกสมาธิเนี่ยเราก็เห็นความสุขของโลกด้ว ย, ว ย, ว ย, วยตาหูจมกูกลิ้นกายเท่านั้น ไม่เคยเห็นความสุขอื่นนอกเหนือนี้เลยแต่เมื่อเรามาทําสมาธิเนี่ยเราจึงรู้ได้ว่าความสุขที่เรามี อ, าอยู่ของโลกนี้เนี่ยออยังไม่ไม่ใช่อยู่แค่นั้นมาอยู่ที่จิตสงบนี่เองจึงเป็นความสุขทางเลือกใหม่ระหว่างนั้นเนี่ยคนนั้นก็เลยเลือกว่าถ้าอย่างนั้นความสุขใหม่เนี่ยปาณีกว่าแล้วก็อยากจะได้ความสุขใหม่ๆเนี่ยที่ที่เรามีเนี่ย ที่ปาณตเนี่ย อ, อยากได้ความสุขนี้มาครอบครองแต่เผอิญว่าสมาธิที่เราทำไปเนี่ยเป็นสมาธิชั่วขณะเราก็เลยว่าได้รับความสุขชั่วขณะเท่านั้นมีปัญหาว่าอยากจะได้ความสุขนี้ยั่งยืนตลอดเวลาไม่ได้อันนี้แหละอยากจะให้ความสุขนี้ยืนนานอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยืนนานไม่ได้เพราะมีเวลาจำกัดสาเหตุที่ว่ า, าจิตใจของคนเรามาเจอความสุขนี้ mm hmm. ก็เพราะว่าเราฝึกสมาธิแต่เมื่อเราฝึกสมาธิแล้วเนี่ยเรามาเจอความสุขนี้แล้วเนี่ยเราก็ติดใจในความสุขนั้นแต่ความสุขนั้นก็ไม่ยั่งยืนอะไรมากนักทำให้เราเนี่ยกหายต่อความสุขเหล่านั้นว่าอยากจะได้บริโภคให้ตัวเองนี้มีความสุขเนิ่นนาน กว่านั้นแต่ว่าความสุขนั้นก็มีนิดเดียวสาเหตุเพราะว่าจิตของเรายังไม่เลิกลากับโลกความสุขอันนี้แหละเขาเรียกว่าความสุขที่เป็นสมาธิที่จิตยังไม่ออกจากโลกหรือสมาธิที่เกิดนี้จึงเป็นสมาธิแบบโลกโลกในยะหนึ่งเขาเรียกว่าสมาธิโล ก, กีนั่นเอง สมาธิโลกีก็คือสมาธิที่นิ่งบ้างวิ่งไปบ้างนิ่งอยู่นิ่งบ้างไปสู่กิเลสบ้างว่างบ้างบุนบ้างนิ่งบ้างวิ่งบ้างทั้งนิ่งทั้งวิ่งทั้งว่างทั้งบุนเดี๋ยวว่างเดี๋ยวบุนเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวนิ่งมันอยู่อย่างนั้นแหละอันนั้นเขาเรียกว่าสมาธิโลกีส่วนพระรยาเจ้าทั้งหลายมีผู้เจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านพ้นจากสมาธิเหล่านี้แล้ว ท่านจะมีสมาธิที่เหนือกว่าตัวนี้ไปเขาเรียกว่าสมาธิโลกุตตะซึ่งจะเป็นสมาธิที่ตลอดเวลาเป็นสมาที่ยืนนานคงทนอยู่ตลอดเวลาในเหมือนก็ว่าชีวิตทั้งชีวิตนี้คือสมาธิทั้งหมดเลยคำว่าอารมณ์ไม่มีเลยอันนี้ก็คือสมาธิของพระยาเจ้าทั้งหลายก็คือไม่มีคาว่ามีอารมณ์เลยเป็นสมาธิทุกเวลา แต่สมาธิของเราเนี่ยเป็นสมาธิโลกโลกแต่ว่าเราก็ต้องผ่านโลกโลกมาก่อนเราต้องผ่านความเป็นโลกโลกมาก่อนแน่นอนเพราะว่ากว่าเราจะขึ้นไปสมาธิโลกุตระได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักความเป็นโลกก่อนแล้วก็รู้จักความเป็นสมาธิของโลกก่อนแล้วค่อยไต่เต้าไปสู่สมาธิสูงสุดก็คือโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมนี้ ความหมายเขาว่าโลกุตรละธรรมก็คือบวกคำเป็นคำสองคำบวกกันก็เรียกว่ า, าสมมาตสนธิกันนะก็คือโลกกับอุตรละแล้วก็บวกกับธรรมโลกไปว่ามืดอุตรละไปว่าเหนือธรรมก็คือธรรมะบวกความแล้วเนี่ยบวมกันแล้วเนี่ยธรรมะเหนือโลกนั่นเอง ธรรมะเหนือโลกโลกแปลว่าโลกนี้แปลว่ามืดนะโลกความจริงนี้โลกนี้แปลว่ามืดโลโกเนี่ยแปลว่ามืดแล้วก็อุต ร, ระนี่แปลว่าเหนือธรรมก็คือธรรมธรรมะนี่เองถ้ารวมความแล้วก็คือธรรมเหนือมืดก็คือธรรมที่สว่างนี่เองธรรมเหนือความมืด เหนือโลกโลกแปลว่ามืดนะแสดงว่าคาว่าโลกโลกนั่นคือมืดมืดอะไรมืดที่ไม่รู้เห็นความจริงถึงจะมีดวงเดือนดวงตะวันอยู่แสงสว่างนั้นมีอยู่ก็จริงแต่แสงสว่างที่มีอยู่ก็ยังมืดอยู่ดีมืดต่อกานที่ไม่รู้ไม่เห็นว่าคนเรานี่เกิดเกิดตายตา ย, ตายแล้วก็หลงอยู่ในโลกนี้ทั้งๆที่แสงเดือนแสงตะวันก็มีอยู่แต่ก็หลงอยู่นั่นเอง ถึงจะแสงสว่างนั้นมีอยู่ความมืดก็อย่างปรากฏแก่สติปัญญาของเราเองนั่นเองอันนี้รระสาชนทั้งหลายเอ่ยว่าเราจะต้องมารุ่นเรียน ร, ยนรู้พระธรรมคำสอนพูะเจ้าเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยยกฐานะของตัวเองออกจากโลกนี้ออกจากความเป็นโลกฉะนั้นเราจะรู้ว่าโลกโดยความเป็นโลกได้อย่างไรก็คือโลกก็คืออาการต่างๆที่เรามีอยู่แล้ว เหมือนก็ว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีอาการอย่างไรเช่นไรนั่นคือความเป็นโลกเช่นว่าเราเกิดมาเนี่ยมีร่างกายนี้มีร่างกายนี้ขึ้นมามีร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วก็มีจิตใจนี้มามาจับจองแล้วก็จิตใจของเรานี่ก็ไหลไปสู่อารมณ์ของโลกนี้ตลอดเวลาไหลไปสู่อารมณ์ของโลกนี้ วันๆหนึ่งก็หมายถึงว่าเราปล่อยจิตปล่อยใจคิดอะไรก็คิดไปตาหูจมูกลิ้นกายใจร้องไห้หัวเลาะไปวันๆเกิดมาตื่นมาก็เป็นอย่างนั้นตั้แต่เกิดมาจนถึงวันนี้ก็ปล่อยไปตามนั้นจงรู้เถิดว่าการเป็นไปต่างๆนั้นๆ น, น, นั่นคือความเป็นโลกจงรู้โลกโดยความเป็นโลกโดยวิธีว่าเราอยู่เช่นไรเช่นนั้นแหละคือโลกโลกโลกคือโลก คำถามอันนี้เนี่ยสมัยพุทธกาลมีคนถามพุทธองค์ว่าโลกคืออะไรโลกคือหมู่สัตว์โลกคือหมู่สัตว์โลกคืออะไรโลกคือหมูสหม่สัตว์อันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดในที่มืดอันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดความที่จึงหลงดุดอยู่ในที่มืมม ด, ด, ดมก็คือว่าโลกคือหมู่สัตว์ อันความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราเกิดมาจากไหนเราจะตายแล้วไปไหนตายแล้วศูนย์หรือไม่ตายแล้วยังอยู่หรือไม่สวรรค์นรกอย่างไรแล้วก็ความเลวร้วของจิตเราจะทํำยังไงดีทุกอย่างมืดหมดเลยฉะนั้นโลกคือความโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ความไม่รู้ไม่เข้าใจปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดในที่มือดอันนี้แหละเขาเรียกว่าความเป็นโลกฉะนั้นสมัยพุทธกาลเนี่ยความเป็นโลกเนี่ย จึงค้นหาความจริงของโลกขึ้นมาเขาเรียกว่าค้นหาสัจธรรมสัจจะแปลว่าความจริงธรรมก็คือธรรมที่ตามจริงนั่นเองอันนี้แหละเราจึงรู้ถึงว่าความเป็นโลกของเราเนี่ยมีมาตลอดถ้าเกิดว่าเขาพูดว่าโลกคืออะไรเนี่ยเราก็ดูความเป็นไปต่างๆที่เราเป็นไปที่ไม่ได้การไม่ได้รับการฝึกเลยเนี่ยนั่นคือความเป็นดิบๆเลยนั่นแตเขาเรียกว่านั่นคือโลกที่แท้จริง แต่ทีนี้เรามาฝึกสมาธิในวัดในวาในสำนักต่างๆเรามาฝึกสมาธิกันก็มาเจอสมาธิแบบโลกก่อนเขาเรียกว่าสมาธิโลกีสมาธิโลกีนี้คืออะไรก็ ค, คือเราประครับประคองจิตของเราให้นิ่งลงด้วยการเพ่งด้วยการรวบรวมความรู้สึกของเราให้เหลือจุดเดียวเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมา เพราะว่าการไหลของการไปของจิตนี่มากมายเนี่ยเป็นความไม่นิ่งทําให้เรากระสับกระสายทําให้เราในแปลปวนทําให้เราเนี่ยเหมือนคนอ่าเขาเรียกถูกปีเสียถูกปีศาสิงสู่เหมือนกับคนเราเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวก็เลยมีการประครับประคองจิตของเราเนี่ยให้นิ่งลงไปการนิ่งลงไปของจิตเราจึงเกิดขึ้นเพราะการรับการฝึกแต่เมื่อฝึกบ่อยๆแล้วเนี่ย เราก็สามารถจะนิ่งได้ด้วยการกรรมพิธีนั้นๆเมื่อนิ่งลงไปแล้วเนี่ยเราจึงรู้ว่าอ๋อการนิ่งนี่มีได้ด้วยการฝึกนี่เองเมื่อฝึกขึ้นมาการนิ่งมีได้นั่นแหละจึงรู้ทันว่านั่นคือสมาธิโลกีโลกียะสมาธินั่นเองจึงเกิดขึ้นแก่เราก่อนว่าสมาธิเหล่านี้เป็นสมาธิที่ประจําโลก ฉะนั้นสมาธิโลกีนี้จึงเป็นสมาธิที่มีประจําโลกมีมาก่อนตั้แต่สมัยพระุทธเจา้าทรงจะทรงอุบัติขึ้นมาสมาธินี้ก็มีมาแล้วมีอยู่ประจําโลกแล้วก็มีอยู่หลายเผ่าพันธุ์ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะรู้ว่าบางบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเวลาทําสมาธิขึ้นมาสมาธิเกิดเนี่ยคิดว่าเป็นของพุทธศาสนาไม่ใช่นะ คือสมาธิโลกเนี่ยจะไม่ใช่พุทธศาสนาอย่างเดียวแต่พุทธศาสนาเนี่ยจะมีสมาธิของพุทธศาสนาโดยเฉพาะอีกสมาธิหนึ่งสมาธินั้นเนี่ยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าสมาธิแบบโลกียะเนี่ยเขาเรียกว่ามีประจำโลกแล้วอันนี้มีมานานมีมานานอ่าแล้วก็มีมานานแล้วก็จะมีต่อไปแล้วก็ ก่อนที่พระุทธองค์จะทรงอุบัติขึ้นมาเนี่ยสมาธินี่มีอยู่แล้วถึงแม้ว่าในยุคนี้เรามาฝึกสมาธิกันเราก็จะปอดประเจอสมาธิโลกีนี้ก่อนอย่าเพิ่งด่วนเข้าใจว่าสมาธิที่เกิดขึ้นแก่เรานั้นจะเป็นคำสอนพูดเจ้าเสียหมดไม่ใช่เราจะเห็นไหมว่า เราจะเห็นไหมว่าตอนที่พุทธองค์ทรงเป็นปฐมวัยเป็นราชกุมารอยู่เนี่ยพุทธองค์ทรงทาสมาธิที่พระพุทธบิดาเนี่ยทำพิธีแลกนาขวัญตายต้นว่าที่เร า, าเรียนมาทางพุทธประวัติสมาธิที่ทำขึ้นมานั้นเนี่ยเขาเรียกว่า อ่ปาปฐมฌานฉะนั้นฌานก็คือสมาธิโลกีนี่เองฌานทั้งหมดก็คือสมาธิโลกีซึ่งพุทธองค์ทรงทําสมาธินี้ตั้งแต่สมัยพระเยาวอยู่ก็สมาธินี้ก็ได้เกิดขึ้นมาในระหว่างนั้นเราจะเห็นไหมว่าสมาธิเนี่ยมีตั้งแต่พุทธองค์ทรงเป็นราชกุมารอ่าแล้วก็สมาธินี้ก็เกิดขึ้นมาณที่นั้น ทำให้สมาธินี้มีก่อนที่พุทองค์ทรงตัดสู่แล้ว สมาธิเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่พุทธองค์ทรงเป็นพระเยาแล้วเนี่ยแต่พุทธองค์ก็ยังไม่ตัดสลุ้เลยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพุทธองค์ทรงออกผนวดก็ไปเรียนศึกษาแก่อราระดาบ ท, ทุกกระดาบทาแล้วก็เรียนสมาธิที่มากขึ้นไปก็คือฌานและก็อรูปฌาน จนถึงสูงสุดก็คืออรูปฌานที่แปดเนวสัญญานาสัญญาญัตนะแล้วพุทธองค์ก็ทรงพินิษฐ์พิจารณาถึงสมาธิเหล่านั้นว่าสมาธิเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ทางที่จะตัดสรู้ได้ไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์ได้เลยจึงอำลาอาจารย์ทั้งสองนั้นออกสแสวงหาทาง พนทุกได้ด้วยด้วยพระองค์เองอ่าเพราะว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นสิ้นความรู้อ่าที่จะสอนความรู้แค่นั้นก็เป็นอันว่าเถ่าขายทอดหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ทรงตัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็ตรัสถึงทางเส้นนั้นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางที่พ้นทุก เราจะเห็นชัดเลยไหมว่าสมาธิที่พระองค์ทรงทำนั้นก็คือสมาธิโลกีนี่เองแล้วพระุทธองค์ก็ทรงค้นถึงว่าจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะต้องมีสมาธิอื่นแน่นอนแต่สมาธินั้นอยู่ตรงไหนหนอบันไดในะสมาธิทั้งหมดที่เราทํานั้นก็เป็นสมาธิแบบโลกโลกก็คือสมาธิแบบโลกีกอยู่อย่างอยู่ดี ยังไม่ถึงที่สุดของทุก์จึงค้นหาสัจธรรมด้วยพระองค์เองอต่อมาก็ได้ตรงตัดสรู้ที่ใต้สีมหาโพบางคนก็บอกว่าวันที่ท่านตัดสรู้เนี่ยท่านทำอานาปานสติแล้วก็ทำต อ, ตอนนั้นเนี่ยราลึกถึงว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระ ราชกุมารทรงพระเยาอยู่เนี่ยได้ทําปฐมฌานใต้ต้นว่าก็เลยนึกถึงว่าการกระทํานั้นๆน่ะกลับมาทําอีกทีหนึง่งแล้วก็ทรงตัดสู่ด้วยอานาปานาสติหลายคนคิดว่าอนาปานาสตินั่นเองทําให้เกิดการตัดสู่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าตัดสู่ด้วยอนาปานาสติหรือว่าปฐมฌาน ที่พุทธองค์ทรงทำตั้งแต่พระเยาวนั้นที่ใต้ต้นว่านั้นทําไมตอนพระเยาวนั้นทําไม่ตัดสรู้ล่ะไม่ตัดสรูหล่ะแล้วมาตัดสรูทีหลังได้อย่างไรแล้วเมื่อเป็นเมือม่อเมือม่อเมือมอม่อพุทธองค์ทรงผนวดแล้วเนี่ยไปเรียนอลาด า, ดาบทอัทุกดาบทเนี่ยสามารถจะทําสมาธิมากกว่าปฐมฌานจนถึงโน้เนเดวะสัญญาณาสัญญายตนะ ซึ่งเป็นสมาธิที่เต็มเปี่ยมบรรดาสมาธิโลกิีทหมดก็ถือว่าสูงสุดทีเดียวยามที่ได้ปฐมฌานก็ว่าน้อยไปแต่ยามได้มากไปก็บอกนั้นว่าทางเช่นนั้นก็ไม่ใช่ตัดสลูเราสังเกตไหมว่าน้อยก็ไม่ใช่มากที่สุดก็ไม่ใช่แล้ววันที่ตัณสลูก็ท่านทำปฐมฌานเหมือนกันการกระทาทั้งสามนั้นแตกต่างกันอย่างไร อันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าการกระทําอการตัดสรู้หรือว่าพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยรู้ต่างวาระแล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่รู้วาระหนึ่งไม่ตัดสรู้รู้อีกวาระหนึ่งตัดสรู้ก็เพราะว่าตอนพระพุทธองค์ทรงพระยาวนั้นทําปฐมฌานนั่นก็คือสมาธิแบบโลรกีซึ่งจะเป็นสมาธิที่ติดพระองค์มา หลายภพชาติที่สร้างสมบรารมีก็มีอยู่แล้วจึงทําได้อย่างง่ายดายแล้วก็ไปเรียนเอาทุกกระดาบทอดัการาลาดาบทนั้นก็เป็นสมาธิโลกีเหมือนกันแต่สูงสุดท่านก็ตอบว่าไม่ไม่ใช่ทางที่ตัดสู้แต่ที่ท่านทําในวันที่ตัดสู้นั้นท่านอบรมสมาธิไปตามลําดับก็คือองค์มร และสุดท้ายองค์มรคเนี่ยจะลงที่สมาธิฌานด้วยกันเ อ, เ, อ, เ, อเขาเรียกว่ามครคเนี่ยจะลงลงด้วยสมาธิฌานเป็นการปิดท้ายตึงต่างตรงที่ว่าสมาธิฌานที่ทํานั้นเป็นสมาธิาที่ผ่านการอบรมมครคมาอย่างถูกต้องแล้วล่วงหน้าไปก่อนหน้าแล้วหมายถึงว่าสมาธิที่จะตัดสู้ได้ก็คือสมาธิต้องมีการอบร ม, มียมครคก่อน แล้วสมาธิฉาญก็ทำทีหลังอีกทีหนึ่งจึงว่าวันที่ตัศรู้เนี่ยท่านอบรมอิยามักมาแล้วคือสมาธิเนี่ยที่โลกีเนี่ยถ้าขาดอิยามักแล้วจะเป็นสมาธิโลกุตละไม่ได้อ่านั่นเองอันนี้ก็คือความการตีความของนักปฏิบัติมากอย่างว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้เข้าใจกันต่างๆนานาสาเหตุก็คือความไม่เข้าใจ ในลักษณะการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองเราจะเห็นไหมว่าการทําสมาธิของเราทําไมสมาธิของเราที่ทํานี้จึงเป็นสมาธิโลกีแล้วสมาธิที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในทุกเวลาได้ในเมื่อเราต้องการว่าสมาธิที่เราต้องจะทำเนี่ยเราต้องการให้จิตของเรานี้เป็นสมาธิตลอดเวลาไม่ใช่สมาธิเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนี้ ไม่พอเยียวยาหัวใจให้ให้เป็นสุขคือมันสุขน้อยเกินไปนะมันทุกมากกว่าเราทํำยังไงจะ ใ, ให้เรามีความสุขด้านเดียวเพราะทุกคนเนี่ยปรารถนาความสุขแต่สมาธิที่เราฝึกกันก็คือมันนิ่งตอนเออมันสุขตอนที่นิ่งนั่นเองแต่ว่านิ่งได้นิดหน่อยก็ออกมาเนี่ยก็มีทุกแล้วก็คือจิตไปในอารมณ์ต่างๆทีนี้สาเหตุก็คือว่า การไปของจิตเนี่ยทำไมต้องไปในเมื่อความสุขนั้น้ามีความสงบนั้นก็เป็นความสุขที่ตัวเองได้รับแล้วก็ทำไมไม่สยบอยู่ตรงนั้นการไปของจิตเพราะความคุ้นเคยกับโลกความคุ้นเคยอันนี้เองถึงมีการฝึกสมาธิมาแล้วแต่ความคุ้นเคยของเขายังไม่ได้หายไปเมื่อออกจากสมาธิแล้วความคุ้นเคยนั้นก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมา คุ้นเคยดั่งเดิมก็เลยไปความคุ้นเคยอันนั้นแหละจึงเป็นสาเหตุของปัญหาเราสังเกตไหมว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยตาหูจมูกกลิ้นกายใจนี้หยุดก่อนเพราะเราเนี่ยประคองจิตไม่ให้ไปในหูตานั้นจิตก็เลยสงบแต่เมื่อจิตสงบแล้วเต็มที่ของเขาเขาก็จะอิ่มตัวก็จะออกมา เมื่อออกมาแล้วเนี่ยตาหูจมกูกเล่นกายใจนั้นก็ทำงานต่อเมื่อทำงานต่ออารมณ์ถึงได้เกิดเมื่ออารมณ์เกิดปุ๊บจิตก็เลยเคลื่อนไปเมื่อเคลื่อนไปก็เป็นที่มาของอารมณ์นั่นเองคือความเคยชินนั่นเองทีนี้เรามาเห็นไม่ว่าสาเหตุของจิตของเราเนี่ยที่ไปสู่อารมณ์เพราะความเคยชิน ความเคยชินความอยากความคุ้นเคยกับการเป็นไปมานานแล้วความคุ้นเคยอันนั้นจึงทำให้จิตนั้นอยากจะไปสู่ความคุ้นเคยนั้นอีกความอยากจะไปของจิตนี้เองชื่อว่าตัณหาแต่ความความคุ้นเคยอันนั้นมีมานานจนที่ตัวเองติดนิสัยพอใจในการไปความคุ้นเคยนั้นมากพอทำให้การทําสมาธิแล้ว จิตเองก็ไม่เคยลืมความคุ้นเคยอันนั้นออกมาก็นึกถึงความคุ้นเคยตัวเองที่เคยก็เลยไปต่อทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมจิตนั้นให้อยู่ในอำนาจได้นี่คือที่มาของอารมณ์ทุกคนที่มีอยู่ก็เพราะตรงนี้นั่นเองทีนี้เราจะเห็นไม่ว่าตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องแก้อะไรก็คือต้องไม่ต้องแก้อะไรแต่ตอนออกมาเนี่ยมันไปเราต้อง แก้ที่ตอนออกตอนออกมาแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยไม่สงบเราก็จะต้องแก้ตรงที่ไม่สงบนั่นเองทำยังไงจะให้ไม่สงบนั้นสงบลงไปนี่คือปัญหาที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือผัสไสยตนะต่างๆผัสไสยตนะต่างๆแปลว่าการสัมผัสสัมพันธ์ในอตนะทั้งหกนั้น ข อ, ของอารมณ์กับโลกนี้ที่ผูกพันกันนั้นให้แยกออกจากกันซะทํำยังไงเราจะชนะการกระเป็นไปอย่างนั้นของอยายตนะเหล่านั้นให้ได้จึงเป็นที่มาของการที่เราจะต้องเรียนรู้จากความจริงอันนี้ว่าเราจะแก้ไขได้อย่างไรทํำยังไงจิตเราจะไม่ต้องไปสัมผัสสะพันธ์กับโลกโดยผ่านอยนายตนะทั้งหกอีกเราก็สบาย ถ้าเข้าสมาธิสงบออกมาจิตก็ไม่ไปผูกพันอีกถือว่าจบกันเราอยากจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือแต่ว่าสมาธิที่ว่าสูงสุดหรือว่าโลคุตุลละสมาธินั้นก็เป็นเช่นนั้นแหละนั่นคือสมาธิของความเป็นพุท ธ, ธะที่แท้จริงก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เองจึงเป็นความท้าทายของคนทุกคนว่าแน่จริงเรามีความสามารถแก้ไขเรื่องนี้สิ ถ้าเราแก้ได้ก็จะผ่านถ้าเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้เราก็สอบตกเราก็ไม่ผ่านความจริงทางเส้นนั้นมีอยู่การแก้ไขได้อยู่นะไม่ใช่ไม่ได้คนที่แก้ไขได้ก็มีอยู่ในโลกก็คือพุทธเจ้าและพาาระอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองเท่ากับว่าเราจะมาแก้ไขจิตของเราเนี่ยให้พ้นจากอารมณ์ของโลกทีเดียว แล้วให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับโลกโดยที่ไม่ผูกพันอะไรกันตาหูทั้งหมดเลิกใช้เลิกผูกพันเลิกเกาะเกี่ยวนั่นคือผู้ชนะผู้ชนะสงครามอันนี้อันนี้แหละคื อ, อรก็าเรียกว่าความท้าทายตรงนี้เนี่ยเป็นความท้าทายความสามารถของมนุษย์ว่าถ้ามนุษย์แน่จริงลองแก้ไขเรื่องนี้สิถ้าบุคคลนั้นแก้ไขได้ นั่นคือผู้ชนะสงครามที่ชนะโดยยากชื่อว่าสัตรบรุตรหรือว่าบุตรอาชาหนานั่นเองก็คือผู้ชนะนั่นเองทีงนี้ว่าสงครามอันนี้เนี่ยเราจะชนะได้เยไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะชนะได้แต่การชัยชนะเหล่านี้ก็มีอยู่เพราะผู้ที่ชนะไปแล้วล่วงหน้าไปแล้วก็คือพระเจ้าพระรหันั้น ท่านบัญญัติไว้แล้วว่าตำราพิชัยสงครามที่จะทําเขาเรียกว่าสงครามอันนี้เนี่ยมีอยู่แล้วให้เราได้ศึกษาก็คือคําสอนของท่านก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองอันนี้แหละเขาเรียกว่าเราจะชนะสงครามโดยการที่ใช้ตําราเหล่านั้นนำไปสู่ความพิชิตสงครามอันนี้ให้ได้ก็คือตําราเดียวกันหรือตําราพิชัยสงครามนี่แหละ ที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันก็คือเราจะต้องชนะสงคามมันนี้ให้ได้ทีนี้ว่าตัวการที่ใหญ่ที่สุดที่เรื่องนี้ทําให้เกิดการยุ่งเหยิงของชีวิตของเราก็คือสามอย่างสามอย่างก็คือหนึ่งจิตสองตาสามอารมณ์ตอนที่จิตเนี่ยแยกตัวออกไปไปสงบที่สมาธิเนี่ย มันทิ้งตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไว้ก็เลยเป็นจิตที่ล้วนๆที่ไม่มีอะไรก็เลยสงบจิตของเราก็เลยว่าเป็นจิตที่ดับเย็นแต่ว่าเขานิ่งได้ไม่นานชื่อว่าการนิ่งของเขานิ่งด้วยชั่วข่าวเพราะอะไรเพราะยังมีกิเลสอยู่ก็เลยนิ่งได้ชั่วขณะหนึ่งการนิ่งนี้เป็นสมาธิโลกีแต่ออกมาแล้วเนี่ยจิตเรายังไปสู่ภาวะเดิมอีก นี่คือปัญหาแต่ว่าเรามาดูแล้วก็คือตัวการใหญ่ก็คือสามตัวหนึ่งจิตเราสองตาหูสมอารมณ์ฉะนั้นสามตัวนี้จึงเป็นผู้สร้างปัญหาให้กับเราเกิดทำสามอย่างนี้เองจึงรวมแล้วเป็นผัสสะหรือผัสสายัตนะ แล้วก็เมื่อภาษานี้เกิดเวทนาก็เกิดตัณหาก็เกิดอุปทานชาติชลาโมระจมเกิดพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าบุคคลใดตรึกในอารมณ์ใดอารมณ์เหล่านั้นย่อมตั้งอยู่การตั้งอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นวิญญาณย่อมปรากฏเมื่อวิญญาณปรากฏการยังสุขันย่อมมี แสดงว่าเราเกิดเราตายเพราะการอย่างสุขันนี้ย่อมเกิดขึ้นเพราะความคิดความคิดของเรานี่เองทาให้เราเวียนเกิดเปลี่ยนตายแสดงว่าการเกิดมาของเราที่เราเกิดมาชาตินี้มาจากความคิดในอดีตชาติความคิดนั่นเองที่ผ่านอิจตนั้นนั่นเองเป็นที่มาของการเกิดขึ้นมาในร่างนี้แสดงว่าร่างนี้เกิดขึ้นมาอาศัยความคิดของชาติที่แล้วที่จิตเราไม่สงบ เมื่อไม่สงบคิดในอารมณ์ใดการอย่างสุขันย่อมเกิดขึ้นด้วยความคิดเช่นนั้นที่เคยบอกเสมอว่าความคิดนี่เองคือความเกิดของคนเราแต่เอาละเรายังไม่รู้ว่าความคิดนี้จะเกิดขึ้นแก่เราได้อย่างไรเพราะว่าเราเกิดมาแล้วนี่เราก็รู้ปัจจุบันก็แล้วกันว่าความเกิดนี้คือในญาติของความที่จะต้องความคิดนี่คือความในญาติของความเกิดในในภพชาติต่อไปเราก็จะลองมาแก้ตอนที่เรายังไม่ตายนี้ ให้ความคิดตัวนี้ดับเสียระหว่างที่เรายังไม่ตายนี่แก้ไขสถานการณ์นี้เสียให้ได้ถ้าไม่แก้ไม่ได้เนี่ยเราก็คงจะต้องเบียนเกิดเบียนตายแน่นอนอันนี้แหละที่ว่าเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้เพื่อให้สถานการณ์เหล่านี้เนี่ยขี้ขายไปทางที่ดีที่ถูกที่ต้องก็คือจะต้องประพฤติปฏิบัติลงไป เร น, นี่เราจะแก้ไขได้อย่างไรแก้ไขได้อย่างไรเราก็ต้องม า, าเขาเรียกว่ามาสอบสวนมาพิจารณาถึงว่าตัวการสามใหญ่สามอย่างนี้ที่มีอยู่เนี่ย <c oughs> ทำงานอย่างไรก็คือว่าจิตของเราหนึ่งตาหูหนึ่งอารมณ์หนึ่ง การไปของจิตทั้งหมดเนี่ยไปแล้วก็ผ่านประตูทั้งหกนี้แล้วก็ไปสู่อารมณ์ภายนอกถ้าเปรียบเหมือนว่าตัวเราเนี่ยเหมือนบ้านหลังหนึ่งจิตเราเนี่ยเหมือนตัวคนที่ใส่อาศัยบ้านอารมณ์ก็คือดอกไม้รอบบ้านอารมณ์อันวิจิตนั้นก็คือรูปรสกลิ่นเสียงหรือกรรมมงคลห้านั่นก็คือ บรรยากาศรอบบ้านของเราเต็มไปได้วยดอกไม้สีสันต่างๆเราก็เลยออกบ้านเนี่ยไปหลงความสวยความงามของดอกไม้นั้นก็คือความสุขของโลกการไปของจิตนั้นเนี่ยเรามาดูดีๆแล้วเนี่ยก็คือจิตเป็นตัวไปประตูเหล่านั้นอยู่กับที่อารมณ์ดอกไม้นั้นก็อยู่กับที่แต่การเคลื่อนไปนี้จิตเป็นตัวเคลื่อนถ้าเรามาดูจริงๆก็คือตัวจิตเราเอง นั่นคือปัญหานั่นคือตัวที่เกิดก่อให้เกิดปัญหาทีนี้เราต้องมาดูว่าจิตที่เคลื่อนไปสู่อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเคลื่อนเพราะอะไรการไปของจิตนั้นไปเพราะสาเหตุอะไรจิตเองก็ได้รับคำตอบว่าทำไมเจ้าถึงได้ไปแล้วอ่าจิตเราก็สารภาพบอว่าไปเพราะความเคยชิน ไปเพราะความอยากไปเพราะความไปแล้วมัมนสนุกดีไปแล้วเนี่ยมันมีความสุขด้วยไปแล้วมันเพลิดเพลินหลงไหลเมื่อไปแล้วมีรสชาติที่บรรยากาศที่สนุกสนานก็เลยอยากจะไปต่อแสดงว่าการไปของเขาไปเพราะความอยากไปความอยากเพราะเคยไปมานานไงไม่ใช่ว่า เขาไม่เคยไปเข้าไปมาตั้งแต่เกิดก็เลยว่าถึงแม้ว่าการผ่านการทำผ่านสมาธิแล้วความเคยชินอันนี้ก็ไม่ได้หายไปเขาก็จำได้ออกบาแล้วก็อยากจะไปดั่งเดิมอีกมันก็เป็นปัญหาที่ว่าเราทำสมาธิแล้วแล้วเล่าแล้วแล้วเล่าๆสมาธิของเราก็สงบบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ตามมาแต่ยังไงความอยากมันไม่สิ้นความไปของเขาไม่จบ เราจะพบจุดจบของการฝึกสมาธิได้อย่างไรถึงเวลาแล้วถึงเวลาเราก็มาไล่จับจิตวุ่นวายไปหมดตายบ้างมาได้บ้างวันนี้เออไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ก็วิ่งไล่จับจิตอีก <c oughs> วิ่งกันทุกวันทุกวันฝึกไปทุกทีก็วิ่งทุกทีไล่จับวันไปไล่จับวันใหม่จิตก็เล่นตัว วิ่งไวกว่าเราเราวิ่งช้าไล่จับไม่ทันอยู่เลยเลยเราคอยจะแพ้อยู่เลยสติเราตามไม่ทนันเร็วมากเราก็เหนื่อยหนักไหนอยากจะสงบก็อยากแต่จิตก็ไม่ยอมตามใจของเราเหมือนก็ว่าจิตนี้ไม่ขึ้นตรงต่อเราเลยเขาขึ้นตรงกับอำนาจฝ่ายต่ำก็คือ กิเลสสมตัวก็คือราคะโทสะโมหะเขาติดใจในรสชาติกิเลสสามตัวนั้นเขาถึงได้เชื่อนายใหญ่ของเขาแต่ไม่เชื่อเราจิตนี้เป็นจิตของเราเกิดมาด้วยกันแต่มันไปนเชื่อคนอื่นเสียก็เลยว่าไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อเราเราก็เลยไล่อำนาจ ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้ตามอำนาจของเราได้เมื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของเราน่าจะอยู่ในอำนาจของเราแต่กับเขาไม่อยู่เขาไปตามอำนาจของนายใหญ่ก็คือกิเลสสามตัวนั้นไปยังไม่พอพาเราไปด้วยเราเราเองก็ไปกับเขามานานแล้วแต่ตอนนี้เราไม่อยากไป เมื่อเราไม่อยากไปแต่เขาก็จะไปทำให้ความรู้สึกสองอย่างนี้ขัดแย้งกันระหว่างเจกับจิตจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นมาเมื่อเราไม่อยากไปเพราะเห็นว่าไปนั่นมันทุกข์แต่การไม่ไปนั่นคือความสุขก็เลยบอกจิตว่าอย่าไปนะแต่จิตไม่ยอมฟังปัญหาก็คือตรงนี้เองว่าจิตเรากับเราเนี่ยไม่ฟังกันแล้วไม่ไม่ไมไม เขาเรียกว่ า, าไม่ไม่เชื่อฟังกันไม่อยู่ในอำนาจกันจึงเป็นที่มาของการต่อสู้ถ้าเกิดว่าเจ้าไม่เชื่อเรานะก็มีทางเดียวคือทำสงครามกันนะก็เกิดว่าจึงเกิดเป็นตาราพิชัยยุทธขึ้นมาก็คือทำสงครามกับกิเลสนี่เองนั้นเราจึงมีการต่อสู้ด้วยสงครามขึ้นมาก็คือ สงขามการประหักประหารจิตใจเราเราต่อสู้ตัวเราเองอที่ว่าเรามาหัดสมาธินี่ตัวเองสู้ตัวเองทั้งนั้นน ะ, ะเพื่อจะให้ชัยชนะขึ้นมาและการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยชัยชนะนี้ถ้ามีขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าจิตของเราจะฟังเราอย่างเดียวจะเชื่อเราอย่างเดียวจะไม่เชื่อในอํานาจ กิเลสฝ่ายต่ำสามตัวนั้นแน่นอนถ้าเราล้มกิเลสสามตัวนั้นได้นะจิตจะเชื่อเราอย่างเดียวก็กลายว่าต่อไปเนี่ยจิตเราจะต้องอยู่ในโอวาทของเราอยู่เสมอและจิตเรากับเราจะไม่ถกเถียงกันเลยจะเชื่อฟังกันให้ได้อันนั้นหมายถึงว่ า, าจุดมุ่งหมายที่เราจะต้องไปถึงตรงนั้นว่าเราอยากจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นและความจริงเป็นได้ไหม ก็เป็นได้จริงๆไม่ใช่เป็นไปไม่ได้จะเป็นได้เพราะการฝึกนี่เองฉะนั้นพูทศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ว่าฝึกมีผลการปฏิบัติมีผลวัดมีผลการปฏิบัติแล้วสามารถจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้กําลังของบระลุตมีได้เป็นได้ข้อปฏิบัติมีผลได้ด้วยการฝึกฝนนี่เองการฝึกมีเหตุมีปัจจัยจะทาให้การ ฝึกนั้นสามารถที่จะชนะตนเองได้ในที่สุดทีนี้ว่าเราจะฝึกได้อย่างไรเพราะว่าคนที่ฝึกนี้ถึงมองมองถึงว่าถ้าเราฝึกได้เนี่ยจิตายใจของเราอยู่ในโอวาทของเราอยู่ใต้ใต้บังคับบัญชาของเราได้ทุกอย่างจบเลยเราจะควบคุมพฤติกรรมจิตของหมดอยู่ในกา ม, มือ จิตนี้จะเป็นจิตที่เราควบคุมได้นั่นคือการชนะตาหูจมูกร่งกายใจหรือเรียกว่าอาภิพายตนะอภิบวกอายตนะนั่นเองเ็าเรียกว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าอายตนะเหล่านั้นให้ได้เราจะทำอย่างไรจะให้เราครอบงำอายตนะเหล่านั้นได้ในเมื่ออายตนะนั้นทางานอยู่เราอยู่ใต้อานาคเขาเราจะอยู่เหนือเขาได้อย่างไร นี่คือความสามารถของคนเราทีนี้ว่าเรามาดูแล้วก็คือจิตของเราเนี่ยไปเพราะความอยากความอยากจะไปถ้าบุคคล น, นั้นบอกว่าก็ทำสมาธิเรื่อยๆอย่างเดิมนั่นสิลองทำดูเถิดทำมาก็เหมือนเดิมทำออมองๆก็เหมือนเดิมถึงจะเป็นสมาธิแล้วแล้วเล่าๆออกจากสมาธิก็เป็นดั่งเดิม ลองทำดูได้เรื่องนี้พิสูจน์ได้คือทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยด้วยตัวเองนะว่าเราจะพบปัญหาเหล่านั้นได้จริงๆว่าทำใหม่ทำใหม่ก็ไปใหม่ทำสมาธิใหม่จิตก็ไปใหม่และการไปของจิตไม่เคยหยุดเลยจะหยุดตอนที่เราเป็นสมาธิอยู่หน่อยหนึ่งออกมาก็ไปอีกแล้ว แล้วก็มีหนำซ้ำตอนที่เป็นสมาธิเนี่ยเราตายใจเราตายใจอย่างไรเราถ้าเกิดว่าคนนั้นเคยฝึกสมาธิมาจะรู้นะระหว่างที่จิตสงบอยู่นานๆเนี่ยเรามีความสุขมากตอนที่เราสงบอยู่เนี่ยอารมณ์มันไหลเข้ามาไหลอยู่ในข้างล่างนะมันไหลขึ้นมาไหลไหลอยู่ในข้างล่างนั่นแหละเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้าเนี่ยก็เหมือนว่าไหลมาเออขึ้นเออขึ้นเออขึ้นเออขึ้น เชื่อไหมตอนที่เราสงบเนี่ยเราตายใจว่าโอ้จิตเราสงบเหลือเกินเช่นว่าเราสงบไปชั่วโมงหนึ่งในชั่วโมงนั้นๆเนี่ยอารมณ์ที่เราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันออกมาไม่ได้มันก็เอออยู่ภายในเออขึ้นมาเออขึ้นมาเออขึ้นมาหลังจากชั่วโมงหนึ่ง เ, เราออกมาจากสมาธิปุ๊บเนี่ยเชื่อไหม จิตที่เออขึ้นมาอารมณ์ที่มันมันกักขังไว้ภายในเนี่ยมันปะทุขึ้นมาปะทุมาพื่อไปขวางทางมันไว้เนี่ยเขาเรียกอเขาเรียกว่าเขื่อนพังเวลาคนที่มีสมาธิเนี่ยเวลาจิตได้ออกนะออกแรงมากกว่าคนปฏิเนี่หลายเท่าเราจะเห็นว่าตอนที่คนที่เป็นสมาธิบ่อยๆเออเป็นสมาธิมากๆเนี่ยตอนที่จิตได้เขื่อนพังแล้วนะมันเขื่อนแตก จิตมันเร็วมากแรงมากกว่าคนปกตินี่หลายเท่าเหมือนบางครั้งเหมือนคนบ้าเลยเพราะอะไรเพราะมันไปชดใช้ตอนที่สงบนั้นมันไปชดใช้มันมาออกมาทีเดียวถ้าเกิดว่าเราทําความสงบเนี่ยเหมือนก็ไปขวางทางเขามันก็เลยเออขึ้นพบไว้เวลาเวลาเวลาเวลาออกจากสมาธินี่ยเวลาได้คิดอะไรสักอย่างเนี่ยความคิดจะรุนแรงแล้วก็เชี่ยวมาก รุนแรงมากเหมือนเขื่อนแตกอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยสมาธิจะเจอเวลาฟุ้งนี่ฟุ้งแหลกกว่าคนทั่วไปคนธรรมดาเนี่ยเวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านไม่มากฟุ้งซ่านมากยังไงก็ไม่เท่าคนที่เป็นสมาธิฟุ้งตอนสงบก็ตายใจตอนฟุ้งก็ฟุ้งมากตอนสงบก็สงบมากมันมากมากไปหมดสงบก็มากเวลาฟุ้งก็ฟุ้งแหลก ทำไปทำมาคงคนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ า, า, าดีไม่ดีเนี่ยมันเหมือนกับคุ้มดีคุ้มา้ายนะแล้วสมาธิจะเป็นแบบนั้นนะเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ถูกกดดันตอนสงบเนี่ยมันมันมันอั้นอยู่เหมือนเหมือนกับว่าน้ำเคลื่อนใต้ดินยังยังยังไม่ผุดขึ้นมาไหลน้าน้ำนิ่งไหลลึก ไหลลึกอยู่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกสมาธิแล้วผังเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเวลาสงบก็สงบมากจนตายใจแต่เวลาคิดก็คิดมากที่สุดคิดจนเป็นอารมณ์เนี่ยมหาศารคุ้มดีคุ้มหลายแล้วก็วนไปวนมาสุดท้ายเนี่ยคนที่ทำสมาธิอย่างนี้ด้านเดียวนะี่ตันตันมะตันเลยนะคือ ทำแล้วทำเล่าก็วนอยู่ที่เดิมเนะที่ว่าตันก็คือทำไปก็เหมือนเขาวนวนอยู่ที่เดิมแล้วก็คิดว่าทำไปบ่อยๆจนมากๆเดี๋ยวมันมันคีเละมันจะแห้งเองลองดูเถอะรับรองได้เลยยังไงก็ไม่แห้งทำยังไงก็ไม่แห้งลองดูได้เลยถ้าเกิดว่าเราทำถึงตายเนี่ยก็ไม่มีทางแห้งเลยมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยวนไปวนมาอย่างเนี้ เป็นดังเดิมทีนี้ว่าเรามาดูที่ว่าถ้าเร า, ถ, าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างเดิมๆ ม, มีผลเดิมๆแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรมันมากมายขนาดนั้นเราหาทางอื่นไม่ได้หรือถ้าเราทำในทางเส้นเดิมนี้ต่อไปอย่างนี้เนี่ยความเสียเวลาของเราเนี่ยก็จะปล่าประโยชน์เพราะว่าทำตั้งนานก็ยังมีผลเดิมๆอยู่เสียเวลา คนที่นักปฏิบัติจริงๆที่มีประสติปัญญาเนี่ยเขาทําแล้วคิดว่าทําไประยะหนึ่งดูเหมือนว่าไปไหนไม่ได้แล้ววนอยู่ที่เดิมแล้วเขาหาทางที่ใหม่ทันทีเลยเพราะว่าชีวิตเราจะไม่ทันไม่ทันเพราะว่าการกระทําอย่างนี้เนี่ยมันยากแล้วก็จะต้องใช้เวลาเขาทําอะไรแล้วเราเขาวิเคราะห์มาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ ทันทีเลยไม่งั้นเสียเวลาอยู่ที่เดิมบางคนเข้าวัดเข้าวามาสามสี่สิปีนะไม่ได้อะไรวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่สมาธิล่านี้ได้บ้างไม่ได้บ้างนิ่งแล้วก็วิ่งนิ่งบ้างวิ่งบ้างว่างแล้วก็วุ่นวุ่นบ้งางว่างบ้างอยู่อย่างนั้นเองแล้วก็กิเลสทุกตัวครบทุกตัวเลยไม่ได้พ่องไปไหนเลย อันนี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกีเขาทำกันไม่มากหรอกเขาทำดูแล้วเนี่ยเห็นว่าไปไม่รอดแล้วเขาหาทางทันทีทำไมไปไม่รอดหาทางทันทีเพราะว่าคนนั้นไม่มีปัญญาวิเคราะห์แล้วคนที่มีปัญญาวิเคราะห์เนี่ยเขาทำแล้วเขาวิเคราะห์ด้วยเขาค้นหาสาเหตุว่าอย่างเช่นว่าถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะทำยังไง ถ้าคนไม่มีปัญญาเขาทำยังไงคนไม่มีปัญญาก็คือทำแบบเดิมนั่นแหละแล้วเล่าเพราะไม่มีปัญญามากกว่านั้นแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาทำกันยังไงเขาทำอย่างนี้ว่าเมื่อกิจสงบเนี่ยเออรู้ว่าสงบตอนเข้าสมาธิแต่ออกสมาธิมันไม่สงบแล้วก็เข้าใหม่ก็สงบออกมาก็ไม่สงบ <ME U TER S> เมื่อเข้าใหม่ไม่สงบออกมาไม่เออเข้าไปสงบออกมาไม่สงบ เขาก็เริ่มวิเคราะห์แล้วว่าการที่ทําแล้วเนี่ยไม่สงบอยู่ตรงไหนตรงที่จิตออกสักสมาธิเมื่อออกมาแล้วเนี่ยไม่สงบเพราะอะไรเพราะใจไปสู่อารมณ์ใจไปสู่อารมณ์เพราะเหตุใดคืออะไรทําไมเหตุใดอยู่เสมอว่างั้นเถอะต้องค้นหาสมุทฐานให้ได้ว่าปัญหามันอยู่ทีดไหนสุดท้ายอย่างที่บอกว่าการไปของจิตทั้งหมดไปเพราะความอยาก อยากจะไปเพราะเคยไปแล้วเนี่ยมันสนุกดีมันก็เลยอยากจะไปอย่างที่เคยไปสรุปความว่าการที่เราเข้าสมาธิแล้วออกมาจิตวุ่นวายเนี่ยเพราะมันอยากไปความอยากนี่เองคือปัญหาของมันอันนี้เขาเรียกว่าหาเขาเรียกว่าค้นหาที่คันและเราจะเกาให้ขายคันตรงนั้น เราต้องหาสมูฐานของเขานี่คือคนมีปัญญานะเขาจะมองถึงหาว่าเอ๊การไปของจิตต้องมีเหตุแล้วก็สอบสวนดูที่ว่าเหตุที่ไปนี่เพราะอะไรอันนี้เขาเรียกว่าคนมีปัญญาเมื่อคนปัญญานั้นคนได้ว่าอ๋อการไปของจิตนี้เรารู้แล้วว่าไปเพราะความเคยชินของมันก็เลยความเคยชินนั้นก็เลยม่อยากไปอีกความอยากนี่เองเป็นปัญหาของของจิตเอง ถ้าเราจะให้เรื่องนี้ยุติมีทางเดียวคือทำลายความอยากซะให้สิน้นทุกอย่างก็จะจบเมื่อความอยากมันสิน้นมันก็ไม่อยากไปเมื่อไม่อยากไปจิตเข้าสมาธิก็สงบออกมามันก็ไม่อยากไปก็จบลงแท่นั้นเองแล้วเราก็ ร, รับความสงบนั้นตลอดเวลาได้อันนี้แหละคนมีปัญญาวางแผนว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้ทุกอย่างจบ เขาวิเคราะห์อย่างนี้นะนี่คือคนมีปัญญาจะนั้นศาสนานี้จึงเป็นศาสนาแห่งปัญญาอย่าใช้สมาธิตะบีตะบันไปอย่างเดียวมันไม่ได้สมาธิน่ะมันใช้กําลังแต่ไม่ใช่หัวคิดนะ่ะไม่ใช่ปัญญานะเราจะชนะสงครามได้อย่างไรนี่คนมีปัญญาเนี่ยเขาต้องมองอย่างนี้ว่าอ๋อจิตที่ไปเนี่ยเพราะความอยากเราจะโทษที่ถุงหูตาก็ไม่ถูกเพราะว่าหูตาบอกว่าข้ามีอยู่ตรงเนี้ย เองจะไปไม่เป็นเองก็เรื่องของเองสิเออก็ใช่ของเขาพูดนะประตูก็บอกว่าข้าไม่เกี่ยวนะเพราะว่าข้ามีของข้าอย่างนี้ที่บอกว่าเราเกิดมามีตาหูจมูกเื่นกายใจพร้อมมาเสร็จเนี่ยเพื่อให้ใช้งานก็คือประตูเหล่านั้นคือหกประตูแต่ประตูเหล่านี้เนี่ยจะโทษเขาก็ไม่ได้เพราะเกิดมามันก็มีแต่ถ้าเกิดว่าจิตเราไม่ไปมันก็ไม่มีผลอะไรประตูก็บอกว่า ข้าก็เปิดอยู่อย่างนี้แหละเองจะไปไม่ไปก็เรื่องของเองถ้าเองไม่ไปก็ได้นี่ข้าก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีแต่เองไปข้าก็เปิดให้ก็เกี่ยวข้องมันอยู่ที่เองไม่ใช่อยู่ที่ข้าหมายถึงประตูนั้นนะอดอกไม้หรืออารมณ์ของโลกนี้ก็อยู่อย่างนั้นเขาก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเขาก็บอกว่าข้าก็อยู่ของข้าอย่างเนี้ยกี่พบกี่ชาติใครเกิดมาก็เจอข้าอย่างนี้แหละ ก็อยู่ที่เองที่จะมาหาหรือไม่มาหาก็อยู่ที่เองสิใช่ไหมล่ะ ว, ว่าอารมณ์ก็ไม่ได้ไปประตูก็ไม่เกี่ยวอารมณ์ก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่จิตของเรานี่เองไปเกี่ยวข้องเขาก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้ก็คือว่าที่มาของปัญหาก็คือจิตเรานี่คือเจ้าแห่งปัญหาเจ้าแห่งปัญหาของจิตก็คือความอยากและความอยากเหล่านี้ ถ้าทำให้หายไปซะสิ้นไปซะให้มันหมดอยากทุกอย่าง ก, ก็จะจบความอยากนี้ในพุทธศาสนาถื อ, เ, อเรียกว่าตัณหาเกเลพันห้าตัณหาร้อยแปดนั่นเองตัณหาแปลว่าความอยากจึงเป็นสาเหตุของทุกในอิสัตว่าทุกเหตุของทุกข์คือตัณหา การดับทุกข์ดับคือดับตัณหานั้นก็หาทางที่จะดับความอยาก น, นะครับนั่นคือความดับทุกข์ท่านี้เราจะดับได้อย่างไรเราก็ต้องค้นหาว่าความอยากนี้คือเรื่องมันกว้างแต่เราจะย่อเรื่องนั้นให้แคบลงแคบลงเหลืออยู่ที่เดียวให้ได้เราจะรวบรวมพยานหลักฐานให้เหลือแคบที่สุด เพื่อจับผู้ต้องหาให้ได้ว่าตัวการทลายอากาศทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าไม่ทําอย่างนี้นะอย่าหวังเลยจะชนะไม่ว่าสงครามภายนอกไม่ใช่ว่าสงครามภายในเราเนี่ยปัญญานําหน้าเสมอปัญญาสําคัญเสมอบุคคลร่วงพ้นทุกข์ด้วยปัญญาปัญญานั่นแหละทําให้บุคคล ที่จะเข้าถึงจุดสูงสุดของชีวิตอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าปัญญาของเราเนี่ยต้องมีนะตรงนี้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาก็อาศัยผู้รู้ชี้แจงเราก็ได้จากปัญญาของท่านเขาเรียกว่าสุตตะปัญญาปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ไปทาตามที่ฟังนั้นสินี่เราก็ได้ปัญญาจากคนอื่นถ้าเราไม่มี หรือเรารู้ไม่ถึงหรือเข้าใจไม่ได้เราก็อาศัยผู้อื่นผู้อื่นผู้รู้ท่านจี้แจงจึงเป็นที่มาของการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทีนี้ว่าเราจะรู้จักว่าความอยากนี้เนี่ยจะทำให้สิ้นได้อย่างไรรู้แล้วว่าความอยากคือปัญหาญเหตุของทุกเหตุของปัญหาทั้งหมดทีนี้ความอยากนี้เนี่ย เราจะทําให้สิ้นสุดได้อย่างไรนี่คือปัญหาละทีนี้ว่าความอยากเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องค้นหาสมูธฐานว่าความอยากมาจากอะไรเราก็ต้องไปดูคําสอนพระเจ้าว่าพระเจ้าตัดเรื่องนี้ว่าอย่างไรละ เพราะเราอยากจะรู้แต่เราไม่มีปัญญาที่จะรู้ก็ต้องอาศัยคําสอนของท่านชี้แจงเขาเรียกว่าต้องไปดูคําสอนของท่านว่าท่านสอนว่าอย่างไรความอยากมาจากไรท่านก็กล่าวถึงว่าความอยากทั้งหมดเนี่ยมาจากความยึดมั่นถือมั่นรูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณ ความยึดมั่นนั้นเป็นฉันทลาคะฉันทลาคะตัวนั้นทำให้ความอยากนี้เกิดขึ้นความยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสาเหตุของตัณหานี้เพราะตัณหานี้เองเป็นสาเหตุของวิญญาณของของอุปทาน ทีนี้ว่าความยึดมั่นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําลายความยึดมั่นนซะแล้วความอยากก็จะสิ้นไปเองนะถ้าเราจะสาวหาเหตุเนี่ยก็คือว่าความยึดมั่นตัวนั้นเป็นสาเหตุคือฉันทลาคะในขันห้าหรือความยึดมั่นในขันห้านั้น เป็นที่มาของความอยากอันนี้ถ้าเราจะให้ความอยากเหล่านี้สิ้นไปมีทางเดียวก็คือว่าทาลายความยึดมั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียทีนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสัญญาสงขารวิญญาณนี้คืออะไรพูดเข้าใจง่ายๆชาวบ้านจะบ้านก็คือ ตัวเรานี่เองเท่ากับว่าการยึดมั่นตัวเรานี่แหละเป็นสาเหตุของความอยากอันนี้ก็ตามมาถ้าใครเข้าใจอย่างนี้นะเข้าใจถูกต้องนะถ้าเราจะให้ความอยากนี้คือปัญหาเนี้ยให้สิ้นไปเนี่ยมีทางเร็วก็คือต้องเบื่อหน่ายตัวเราซะ ต้องเบื่อหน่ายตัวเราให้ได้เมื่อเบื่อหน่ายตัวเราได้ความอยากก็จะสิ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าเราจะต้องเกาถุกที่ขันให้ได้เราถึงจะหายขันคนที่มองอย่างนี้เนี่ยเขาก็มองเห็นได้ว่าความอยากนี่เองเป็นสาเหตุของการไปของจิตแล้วก็นำมาซึ่งทุกข์มาเป็นผล ความอยากนี้จะขี้ระไายได้ก็คืออาศัยการเราต้องค้นหาเหตุก็คือมีฉันทลาคะในร่างกายนี้ก็คือความพอใจในร่างกายนี้ในบาลีเนี่ยท่านจะกล่าวถึงว่าการยึดมั่นตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารการแล้วเมื่อยึดมั่นของตัวเราแล้วก็จะต้องยึดมั่นสิ่งที่รอบรอบตัวเราก็ตามมาเขาเรียกว่า มัมมังการเมื่อยึดมั่นในสิ่งรอบๆตัวเราตามตามมาการร้านไปเพราะความอยากก็ตามมาเขาเรียกว่ามานานุสัสมีเราจึงเป็นเมื่อมีเราจึงเป็นสาเหตุของการมีของของเราเมื่อมีของของเราจึงเป็นสาเหตุของการร้านไปของจิต แสดงว่าจิตที่เราออกจากสมาธิแล้ววิ่งซ่านออกไปเนี่ยมาจากคำว่าเราคำเดียวเราในขณนี้ก็คือความยึดมั่นตัวเองว่าเป็นเรา อ, อย่างนี้ก็ได้นะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยขี้คลายลงไปก็คือมีทางเดียวก็คือต้องเบื่อตัวเองซะเบื่อเราทำลายคาว่าเรานั้นเสีย ถ้าเราไม่มีของของเราก็ไม่พึงมีถ้าของของเราไม่พึงมีการสร้างไปของจิตก็ไม่ควรจะสร้างไปการจบเหตุและปัญหาของการไปของจิตก็ จ, จ้องหยุดพงเมื่อทํหลายเขาว่าเราเท่ากับว่าเราจะต้องมาเอาจิตมาพิจารณาร่างกายเราให้เห็นแจ้ง ให้เห็นแจ้งให้ได้เราจะเห็นไหมว่าสมาธิเนี่ยที่แรกเราทําสมาธินิ่งแต่นิ่งแล้วเนี่ยมันมีปัญหาออกมาแล้วมันวิ่งต่อวิ่งต่อเพราะอะไรเพราะมันมีความอยากเวลาทํากรรมฐานเนี่ยเราต้องเคลื่อนตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่ว่าวันเดือนปีมาทํามานานะสมาธิก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละท่านที่ว่ามันทําแล้วมันก็วนไปวนมาก็ดื้อด้านทําอยู่อย่างนั้นแหละ ลังไปอย่างนั้นแหละทําดังเดิมเดิมเดิมเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เลยนะทําอย่างไม่มีสติปัญญาทําสักแต่ว่าทําไปตะพื้อย่างเดียวไม่มองถึงเหตุและปัจจัยว่าตัวเองทำในก้าวหน้าไปทางไหนค้นหาสมุทฐานอย่างไรการทําที่ไม่ไมีไม่ประกอบด้วยปัญญาเชื่อแน่ว่าทํำสงครามคราวนี้เราแพ้แน่นอนคนที่ทำทำสมาธิเนี่ย เขาจะทําแล้วก้าวไปทําแล้วก้าวไปเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ทําสมาธิก็ไม่ว่าไม่ทําแต่เมื่อหัดทําสมาธิก็เกิดเมื่อเกิดแล้วแต่ออกมาจากสมาธิมันไปเมื่อมันไปแล้วเราต้องมาค้นหาว่าการไปของจิตไี่ไปเพราะอะไรก็มาเลยรู้ว่าความอยากฉะนั้นรู้ว่าความอยากปุ๊บต้องร้องต้องทําลายความอยากอันนี้หมายถึงว่าการเคลื่อนที่ของการปฏิบัติเนี่ยไปตามตามภาวะ ตามเหตุปัจจัยนั้นนั้นว่าเขามีเหตุปัจจัยอย่างไรก็ไปตามนั้นๆอันนี้แหละเขาเรียกว่าประพฤติปฏิบัติตามเหตุและปัจจัยที่เป็นไปถ้าคนนั้นทําอย่างนี้น ะ, จะเจริญวันคืนจ ะ, จะเจริญอย่างเดียวรับรองได้ว่าการปฏิบัติของคนนั้นเนี่ยจะนําไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงๆคือเขา เขาไม่ได้บ like ั halfway, him, ิไม่ปฏิบัติอยู่ที่เดิมเนี่ยเมื่อเคลื่อนไปเขาก็เคลื่อนไปเมื่อเคลื่อนไปก็ขึ้นไปเหมือนก็เราทําสงครามเน่ยเมื่อลุกได้ก็ลุกไปลุกได้ก็ลุกไปลุกได้ก็ลุกไปไม่ใช่อยู่ที่เดิมที่เดิมที่เดิมที่เดิมแล้วมันจะชนะได้อย่างไรเขาเรียกว่าทําสงครามแบบไม่ใช้สติปัญญาเลยร้อยทั้งร้อยแพ้อย่างเดียวเราต้องทบทวนตัวเองนะว่าการทำทั้งหมดเนี่ยชีวิตเรามีแค่นี้เนี่ย มันจะหมดเวลาสิแล้วนะ่ะจะไม่ได้ถึงไหนเวลาทุกอย่างเนี่ยทุกวันเนี่ยต้องมีค่าสําหรับเราการข้อท้าต้องการกระทาของเราต้องรวบลัดให้เร็วให้คืบคานให้ได้ผลประสิทธิภาพให้มากที่สุดไม่งั้นสงครามนี้จะยืดเยื้อเรามีทุกอย่างก็คือมีทุกอย่างมีอะไรเรามีคําสอนพระเจ้าทุกอย่างที่ท่านสอนไว้เรามี เราเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะทำตรงนี้มีอคูบาอาจารย์มากมายที่สอนแต่เราทำแบบไม่ฉลาดแล้วจะไปได้อย่างไรฉะนั้นเราไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลยกับการที่เราจะรู้อะไรทำไปตามภาษาของตัวเองถ้าอย่างนั้นเนี่ร้อยทั้งร้อยแพ้อย่างเดียวถึงได้บอกว่านี่คือความท้าทายของคนเราว่าแน่จริงแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้สิถ้าคุณแน่จริง เราจะกลัวทําไมในเมื่อพุทธองค์เนี่ยชงชนะมาชนะมาแล้วแล้วก็วางคําสอนไว้แล้วตํารานี้เคยใช้ได้ผลแล้วเราจะกลัวทําไมในเมื่อตําราพิจัยณสงครามนี้มีอยู่กับเราทําไมไม่ใช้ตํารานี้ไปเล่าเราจะชนะเองโดยที่ไม่ต้องใช้ตําราอย่างนั้นหรือความสามารถเราจะนาได้อย่างไรฉะนั้นเราเกิดปาโชคดีว่า ทุกอย่างมีอยู่นี้ตรงนี้หมดแล้วเราเหลือแต่ว่าเอานํามาใช้งานทีนี้ว่าการต่อสู้อย่างฉลาดเนี่ยต้องต่อสู้แบบนี้เมื่อว่าความอยากนี้เป็นสาเหตุของปัญหาเราก็ต้องทําลายความอยากนั้นให้ได้โดยวิธีที่บอกว่าความอยากนี่มาจากไหนก็ชี้แจงไปแล้วนี่ว่ามาจากการยินดีในตัวเองนิดเองถ้าเราจะให้ความอยากนี้สิ้นไป มีทางเดียวคือให้เบื่อหน่ายตัวเองซะเขาเรียกว่าทางภาษาธรรมเขาเรียกว่ากำจัดฉันทลาคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสเพราะว่าในคาสอนพระเจ้าท่านบอกระบุว่าเช็ดอย่างสวยงามเลยว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยขันห้า แล้วท่านก็บอกทุกขันเลยนะว่าห้าอย่างนี้อย่างไรบอกทุกอย่างเราไม่เข้าใจเองว่ารูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกทุกอย่างว่าแต่ละอย่างละอย่างแก้ไขอย่างไรบอกอย่างละเอียดมากว่าอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างว่ารูปท่านกล่าวว่ารูปคืออะไร รูปคือมหาภูตา ร, รูปทั้งสี่ก็คือธาตุทั้งสี่นี้ก็คือการประชุมลงของดินน้ำลมไฟก็คือตัวเหานี้ประกอบเป็นธาตุทั้งสี่พิสูจน์ทั้งหลายอะไรคือรูปล่ะมหาภูตา ร, รูปทั้งสี่นี่คือรูปอะไรคือความเกิดของรูปความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหาร ความดับของรูปคือความดับแห่งอาหารหมายถึงว่าร่างกายนี้ตั้งได้ตั้งอยู่ได้เพราะมีอาหารหล่อเลี้ยงถึงตั้งอยู่ได้ฉะนั้นความตั้งอยู่ได้หมายถึงว่าความเกิดของรูปนี้คือความตั้งอยู่แห่งอาหารความดับของรูปนี้คือความดับแห่งอาหารคุณของรูปมีไหมมีอยู่สุขสมมนัตใดๆที่อาศัยรูปนี้เกิดขึ้น เราจะเห็นไหมว่าความสุขอันใดกันแล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้โดยผ่านการอาศัยร่างนี้เกิดขึ้นร่างกายเราเนี่ยความสุขอันไดกันแล้วแต่ที่เกิดสุขขึ้นมาโดยการผ่านร่างอันนี้ความสุขที่ได้รับจากการผ่านร่างอันนี้นั่นคืออัศทะของลูกเขาเรียกว่ารสอร่อยของลูกภาษาบาลีก็เรียกอัศทาะาของลูกนี้ นี่คือคุณของรูปคุณหมายถึงว่าเออรูปมันมีประโยชน์ไหมล่ะมีมีตอนไหนตอนที่เราได้อะไรมาแล้วมาบำรุงบำรเดอรร่างกายนี้แล้วร่างกายนี้มีความสุขเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าคุณของมันคุณของรูปนี้คุณของรูปนี้เขาเรียกว่าอัาทะคือรสอร่อยของรูปนี้แต่ว่าเราจะมีความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านพบมาแล้วร่างกายนี้แล้วเกิดความสุขมา ก็จริงความสุขนั้นก็คือลดอร่อยของมันหรือคุณของมันแต่ร่างกายเนี่ยมีโทษไหมมีร่างกายนี้จะต้องแตกดับถึงจะลดอร่อยก็จริงแต่มันมีความแตกจัดกร ะ, จ, ะ, จ, ะ, จ, ะจายเป็นธรรมดาในที่สุดจะต้องแตกสลายนี่คือโทษของรูปนี้การกําจัดฉันทลาคะการละฉันทลาคะเห็นไหม การกำจัดฉันทลาคะการละฉันทลาคะในรูปเสียได้นั่นคืออุบายออกจากรูปที่บอกแล้ ว, ว่าการยินดีในตัวเองนั่นเองคือฉันทลาคะการทำลายความยินดีให้เบื่อหน่ายตัวเองนั้นซะนั่นคือการกำจัดฉันทลาคะและก็การกำจัดฉันทลาคะนี่เองเป็นอุบายออกจากทุกข์คือทางออกอะตรงไมล่ะว่าบอกว่า ถ้าเราเบื่อหน่ายตัวเองได้นั่ น, น, นก็คือทั้งทําให้ตัณหานนั้นสิ้นไปดะนั้นท่านกกล่าวว่าการกําจัดชันราคะนั่นแหละเป็นอุบายออกจากรูปนี้ก็ตรงกงันเป๊ะเลยดันั้นท่านแจ้งไปแล้วเนี่ยแต่จะมามาพูดเนี่ยเพื่อพูดง่ายๆให้ฟังง่ายๆถ้าเราก็จะพูดสำนวนลังบาลีเนี่ยมันจะซับซ้อนฟังยากแต่จะใช้จํานวนง่ายๆก็คือให้เบื่อหน่ายตัวเองซะแต่ถ้าเรามาเทียบกับบาลีจะตรงเป๊ะเลย คำว่าเบื่อหน่ายก็คือกำจัดชันตลาลคะการกาจัดชันตลาลคะการละชั้นตลาลคะในรูปเสียได้นั่นคืออุบายออกจากรูปนี้ ม, มักมีองค์แดนี่แหละคือหนทางที่นำไปสู่การดับของรูปนี้อะไรคือเวทนาอะไรคือเวทนาจักขุสัมผัส ชาโสตะสัมเอ่อจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสจักขุสัมผัสชาเวทนาโต ส, สาาโตะสัมผัสชาเวทนาอ่าโส ต, ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสชาเวทนาหมายถึงสัมผัสแล้วมีเวทนาออกมาคือความสุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาเขาเรียกว่าเวทนา อะไรคือความอะไรคือเวทนาก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกแล้วก็เกิดสุขทุกข์ขึ้นมาเขาเรียกว่าเวทนาพูดได้ง่ายนะสุขสมานัทใดๆที่อาศัยเวทนาเกิดขึ้นความสุขอันใดก็แล้วแต่ที่อาศัยว่าจิตเราเนี่ยไปผูกพันกับอารมณ์ของโลกแล้วมีความสุขชนิดนั้นขึ้นมา ความสุขนั้ น, น, นเป็นอัสรธะของเวทนาแต่เวทนานี้ไม่เที่ยงจะต้องแตกสลายหรือแปลเปลี่ยนอยู่เสมอนั่นคือโทษของเวทนาการกำจัดชันธลาคะการละชันธลาคะในเวทนาเสียได้นั่นคืออุบายออกจากเวทนามักมีองแปดนี่แหละคือหนทางออกเวทนาได้อะไรคือสัญญา รูปรูปรูปพัธสัญญาสัทธสัญญาคือเสียงรูปลสกลิ่นเสียงที่เราไปจิตเราไปสัมผัสสัมผั์แล้วเกิดความจำเอาไว้เขาเรียกว่ารูปพัธสัญญาสัทธสัญญาคณะสัญญาขัทธะสัญญาละสัสัญญาคือรูปรสกลิ่นเสียง ภายนอกที่เราไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วก็จดจำเอาไว้ว่านี่เราเคยสัมผัสมานะความจําเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาแล้วก็ลักษณะอันเดียวกันก็คือสัญญาไม่เที่ยงเป็นโทษของสัญญาสุขสมมรัตต์ใดที่อาศัยสัญญาเกิดขึ้นสุขสมัตนั้นเป็นลดอร่อยของสัญญาการกําจัดฉันทลาคะ การละฉันราฆะในสัญญานั้นได้นั่นคืออุบายออกจากสัญญามักมีองแปดนี่แหละคือออกจากสัญญาได้อันนี้อันนี้ถ้ามาถ้ามาแจงไปแล้วเนี่ยโยมอาจจะฟังงงๆนะแต่ขอแจงนิดหนึ่งเพราะว่าที่พูดเนี่ยมีที่มาไหมเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพูดเนี่ยเอาที่ไหนมาพูดเป็นธรรมะส่วนตัวหรือเปล่าไม่ใช่มาจากพระไตรปิฎกแน่นอน ขอยืนยันเราก็เลยอ้างอิงเหตุผล อ, อันนี้ขึ้นมาอะไรล่ะสัญญาก็ฟังไปแล้วนี่เข้าๆกันแล้วกันเนาะแล้วอะไรคือสังขารรูปสัญเจตนาสัทธะสัญเจตนาคือรูปรสกลิ่นเสียงที่ปรุงแต่งไปจํามากับปรุงแต่งไ ป, ปจํามาก็เป็นสัญญาปรุงแต่งไปก็เป็นสังขารก็ทำนองเดียวกัน ความเกิดของความเกิดของสัญญาคือความเกิดแห่งผัสสะเวทนาก็เหมือนกันผัสสะหมดเลยนะความเกิดของเวทนาเวทนาก็คือความเกิดแห่งผัสสะความเกิดของสัญญาคือความเกิดแห่งผัสสะความเกิดของสังขารคือความเกิดแห่งผัสสะเพราะว่าจิตเราวิ่งไปสู่อารมณ์แล้วกระทบสัมผัสขึ้นมาก็กลายเป็นคําสัมผัสขึ้นมาก็คือผัสสะนั่นเองผัสสะแปลว่ากระทบรูปสัญเจตนา อ่าสัทธาสันใจนาก็คือการสำรวจอ่าความเกิดของสังขารคือความเกิดแห่งผัสสะความดับของสังขารคือความดับแห่งผัสสะอ่าสุขสมนัตใดๆที่อาศัยสังขารเกิดขึ้นสุขสมมนัตนั้นเป็นรสอร่อยของสังขารเราปรุงแต่งแล้วมีความสุขก็เรียกว่ารสอร่อยของสังขารแต่สังขาร น, นั้นไม่เที่ยงต้องแตกสลายนั่นคือโทษของสังขารการกําจัดฉันทะาคะ การละฉันทราคะในสังขารเสียได้นั่นอุบายของสังขารมักมีองค์8นี่แหละคือความปฏิปทาที่ดับสังขารได้แล้วก็วิญญาณอะไรคือวิญญาณจักขุวิญญาณโสตคารนาชิวหากายะมโนวิญญาณคือความรับรู้ในประตูทั้งหรับรู้เฉพาะด้านมีความเป็นใหญ่เฉพาะตน ด้านตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นความเป็นใหญ่แต่ละประตูประตูเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณหนั่นเองฉะนั้นจิตเราเนี่ยคิดไปในอารมณ์ต่างๆ ต, ต้องผ่านวิญญาณของหูต่างต่างาเขาเรียกว่าวิญญาณเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นความเกิดของวิญญาณคือความเกิดแห่งนามรูปความดับของวิญญาณคือความดับแห่งวนันรูปนามรูป พสุกสมนัติใดที่อาศัยวิญญาณเกิดขึ้นสุกสมมนัตนั้นเป็นรสอร่อยของวิญญาณวิญญาณไม่เที่ยงเป็นโทษของวิญญาณการกำจัดฉันทรลาคะการละฉันทรลาคะในวิญญาณเสียได้นั่นคืออุบายออกของวิญญาณมักมีองแปดนี่แหละคือหนทางที่สามารถที่จะนำสู่การดับวิญญาณนั้นได้อันนี้เขาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย พระองค์ทรงแจงไว้อย่างละเอียดเลยแต่ต่อมาจะมากล่าวย่อๆคือร่างกายก็แล้วกันฉะนั้นความอยากไปของจิตตรงนี้เนี่ยมาจากฉันทะลาคะในร่างกายเราหลงร่างกายเราทุกคนทุกคนหลงร่างกายอยู่แล้วจึงเป็นที่มาของความอยากนี้แน่นอนก็คือความอยากนี้ก็มาจากการหลงหลงร่างกายเรานี่เอง Thank <sniffs> you.